เพื่อให้คนอื่นได้หัวเราตัวทำเสลบ้างก็ได้ก็ต้องขอเจริญพรท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานที่วันนี้เป็นไมโครเองเขาบอกว่าถวายเนี่ยจะได้บุญมากๆก็ตอนที่พระออกจากนิโรธถัามาบาดเจ็บหลังจากพระท่านเข้าสมาธิแต่ลึกซึ้ง แต่ถ้าเป็นพระอาจางาากันตนาภาพเนี่ยอยากจะบอกเพิ่มมาตอนที่พระหิุจัดในระเนี้พระกำลังหูวเนี่ยแม่มาถวายเลยได้โปรดทีถวายเสร็จมาฟังธรรมกันนี่กองทัพเินให้ได้ท้องนะก็ในสมัยพุทธกาลนี้มีคนไปรอฟังพระพุทธเจ้าเป็นพันคนและพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมแสดงธรรมปรากฏว่าทรงรอคนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนเลี้ยงโคซึ่งที่เขามาช้าเพราะว่าเขาอยากจะฟังธรรมแต่ว่าโคหาย <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เมื่อโคหายเนี่ยก็ไปเสียเวลาเดินหาโคเสียเวลาเดินหาโคอยู่เป็นนานในที่สุดพอเจอแล้วก็ไปต่อพระพุทธเจ้าแต่ไปทีหลังเขาพระุทธเจ้ารอคนคนเดียวนะในขณะที่มีคนคนฟังอยู่เป็นธรรมไม่เทศรอคนคนเดียวพอคนคนนั้นมาถึงแล้วแทนที่จะเทศยังไม่เทศนะ บอกให้พ่อครัวเนี่ยไปจัดหาสำหรับกับข้าวให้คนคนนั้นก่อนพอเขารับประทานอาหารเสร็จอินน่มมีที่มันแล้วมันนั่งพระพุทธองค์เริ่มแท้อันนี้จะทอให้เห็นถึงสำนวนที่พูดว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องคือถ้าคนไม่อิ่มแล้วพร ะ, สะแสดงดียังไงเดี๋ยวคนข้าบนนะพระอะไรพูดน้นั่นไม่รู้เลยคุม พอพูดจบสาทุกดังมากพระก็ภูมิใจวันนี้ฉันพูดดีจริงๆก็สาทุ่ยเล่ยังไม่รู้สิตัวนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของข้าพเจ้ า, า, านะพระพุทธเจ้าเคยทายปัญหากับสมมะเน้นพระพุทธเจ้าทายว่าอะไรเอ่ยได้ชื่อหนึ่งเน้นก็ตอบไปสารพัดไม่ถูกสุดท้ายคําเฉลยก็คือว่าอาหารมาอันดับหนึ่ง คุณโยมลองคิดดูทุกวันหนึงไม่ว่าคุณโยมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ตามนะจะสวยจะรวยจะยอกดีมีจนยังไงก็ตามถ้าวันนั้นคุณตื่นมาแล้วไม่มีข้าวกินเนี่ยมันหมดสนุกท้องไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมดสภาพได้แต่ถ้ามันอิ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณโยมก็ก่อนจะฟังธรรมได้เลี้ยงเพลินห้าด้วย แล้วเลี้ยงเพนเสร็จแล้วพระก็สะแสดงธรรมไม่ว่าข้าพระอาหารมันไม่ได้หายไปไหนเลยพลังงานออกมาเป็นธรรมน้าหมดเนี่ยก็เรียกว่าถ้าพูดถึงงานนี้สง่งก็อานนี้สมแรงเพราะว่าฉันเสร็จพระก็ไม่ได้ไป น, นอนทอดหุ่นหรอก mm hmm. พระก็เทศเนี่ยอัเนี้ยถ้าคุณโยมจะทําบุญก็เลือกทํากับพระที่ทํางาน mm hmm. ทําบุญก็ให้ถูกที่ทําดีก็ให้ถูกคนอันนี้จึงเป็นเรื่องแรกที่ตรตภาพต้องขออนุโมทานา ตั้งแต่ท่านประธานท่านรองประธานตลอดจนพนัก ง, ง, งานทุกๆคนที่นอกจากจะมีใจบนใจกุศลแล้วก็ยังได้ร่วมกันทํากิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ต้นภาพของนองโมทนาด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะเกริ่นไว้ในเบื้องต้นนี้ก็คือครั้งที่แล้วคุณดมดารัตน์เนาะพาไปดูห้องห้องซ่อมนาฬิกาเป็นคลินิกใช่อ่าไปดูแล้วก็ได้คุยกับฝรั่ ง, งชื่ออะไรนะชื่อกามีใช่ไหมเอ่อ เขาบอกว่าเขาเป็นโนเรติเลียนใช่ไหมอ่าเป็นเป็นชาติวุทธนั่นนะคะแต่ว่าเป็นเวบเทติเลียนจ้าค่ะอ่าใช่ก็คือไม่ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นศาสนาอะไรหรอกแต่ว่าชอบธรรมะทีนะชอบธรมาธิแล้วก็ทานมังสวิรัตแต่มาพับก็ไปคุยไปคุณดารารัตน์สายรมเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นได้เรื่องไปเขียนตอนเลย ไปตามอ่านกรุงเทพธุรกิจฉบับวันเสาร์เขียนมาแล้วเมื่อหลายเสาที่ผ่านมาแล้วทีแรกว่าจะลงชื่อท่านประธานได้ควรไม่ควรุดท้าเราพูดกลางดีกว่าก็นี้เราก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้จากคนซึ่งเขาอยู่ต่างชาตต่างศาสนาแต่เขาสนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เราก็นึกย้อนดูพวกเราว่าเออเราเกิดที่นี่โตที่นี่พ่อแม่เราก็เป็นพุทธแต่บางครั้งเราสนใจสู้เขาได้ไหมอันนี้เป็นคติซึ่งอาจาภาพก็เก็บไปเขียนในเรื่องหนึ่งซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามีคนจํานวนมากเหลือเกินที่เดี๋ยวนี้ําถือศาสนาแต่ไม่บอกว่านับถือศาสนาอะไรแต่ว่าเอาแก่นนะแต่เปลือกไม่สนอันนี้ธรท่านมองว่าในอนาคตในศาสนาจะเป็นอย่างนั้น พราะาถ้าราบอกว่าฉันเป็นพวกพี่สลามเดี๋ยวทะเลาะกันคือเราอยู่ท่ามกลางความหลากหลายได้ลำบากขึ้นคนมันใจแคบแต่โลกกว้างนะในใจแคบอันนี้ก็เลยมีคนประกาศตัวเองมากขึ้นว่าผมทําอย่า ง, งานั้นผมทำอย่างนี้แต่ผมไม่มีศาสนาเราเป็นวิธีหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกับคนซึ่งแตกต่างทางศาสนาทางโลกกระทัดทางความคิดความเห็นได้อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะฉะนั้นมาฟังที่นี่ในแง่หนึ่นงในสมรภาพ ได้ได้สิ่งดีๆนะถึงแม้จะมานั่งคุยกันนอกรอบเนี่ยได้อะไรเยอะเลย <c oughs> บางคนอาจจะบอกว่าวันนี้ผ้ามาเทศแต่บางครั้งอาจารย์มาพ้าเ น, น้นเสมว่าจะมามาเรียนคือมาเรียนรู้จากญาติโยมด้วย <c oughs> บางคนก็บอกท่านเป็นผู้รู้อาจาบอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้าง <c oughs> บางเรื่องก็รู้แต่บางเรื่องหนึ่งไม่ได้รู้อะไรเลยต้องมาฟังที่นี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีนาริจารเรือนละยี่สิบหกล้าน เอาไปพูดมาหลายที่แล้วบอกว่านักขายที่ดีเขาขายแบรนด์เขาไม่ได้ขาย <c oughs> ของการนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาที่ได้มาแล้เปลี่ยนเรีนรู้ทีนี้เรามาข้างห่อเรื่องกันเราพูดกันเรื่องอารมณ์ดีเพราะมีความสุขอารมณ์ดีเพราะมีความสุขในตำราอยากให้เราเน้นถึงพระพุทธรูปทุ ก, ท, กทุกองยิ้มทุกองคุณโยมเห็นไหมทัพพระพุทธรูปบ้านใครที่ตั้งไว้แล้วหน้าบึ้งไม่มีนะ ถ้ามีคงลำํำบากเลยนะ <c oughs> คือคือการยิ้มสแสดงว่าพระพุทธปฏิมาหรือพุทธรูปทุกองเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความมีอารมณ์ดีความมีอารมณ์ดีนั้นก็จะทอนภาวะข้างในว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีมากคุณยังลองคิดดูทํายังไงเราจะยิ้มอย่างพระพุทธรูปนั่นนะเขาเรียกว่าเป็นเอเมนออนซสซั่นคือมาเจอเมื่อไหร่ก็ยิ้มเจอเมื่อไหร่ก็ยิ้มแต่มีเข้าแม้นะต้องต้องไม่มีน้ํำลายไหล <c oughs> ก็คือมาเจอเมื่อไร่ฉันก็เป็นต้นไม้ท้าทายแดดลมฝนได้ตลอดเวลาไม่มีซีเรียสเลยอันนี้ก็คือว่าเรามีสุขภาพข้างในมันดีข้างนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามเราก็ยืนแบบท้าลมท้าแดดท้าฝนบนหน้าผาหน้าผานี่แดดส่องหน้าผามันก็ไม่ร้อนหดเลยนะฝนตกมันก็ไม่หนาวลมมาพาดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนเราเนี่ยถ้าฝนตกชื่นใจ อยฝนตกวันนี้คุณดารารัตเรียกไปชมเป็นการส่วนตัวแต่อยากให้รู้เป็นการส่วนรวมอองมาพูดอันนี้เขาเรียกว่มมาฝนแดดออกวันนี้เจ้านายเรียกไปแนะนําแต่กลับออกมาบอกว่าเจ้านายเทพจริง่เขาแนะนําอันนี้เรียกว่มมาแดดออกหรือแดดส่องแต่คุณป๊อตเขาบอกว่าแดดสองใช่ไหมแดดสองจริงๆคือแดดสอง อันนี้ก็คือทีนี้ถ้าเป็นสายลมสายลมก็คือได้เลื่อนก็เพิ่มเงินเดือนตำแหน่งใหม่ๆเข้ามาแล้วชีวิตกอคือคนนี้มันจะรู้หวานขึ้นๆลงๆแต่ด้าคนที่มีสุขภาพดีขึ้นก็รู้ลงก็รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าร้ยอารมณ์นะรู้ตัวอย่างแต่ไม่หลงอารมณ์เกิดอะไรขึ้นก็รู้ไม่ใช่ว่าทานยาป่วยจะไป น, นอนโรงพยาบาลยิง่งวันนี้ฉันสุขภาพดีไม่ทุกไม่ร้อน ไม่ร้องไม่ร้องสบายพระบอกให้ยิ้มก็ไว้มันก็เกินไปยิ้มแล้วไม่ทําอะไรก็ลําบากวันก่อนไปบรรยายที่ส่วนการประชุมแห่งชาติเซอร์จินคุณโยมท่านหนึ่งตั้งคำถามว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ถ้าเราเป็นหนี้เ น, น, นี่ยเราหนีไปปฏิบัติธรรมได้ไหมคือไม่มีไม่หนีไม่มไมช่ายคุณจะมายุ่งนะฉันจะปฏิบัติธรรมถามว่าดีไหมแต่พระบอกว่าอย่างนั้นมันอันตรายแล้วล่ะ เขาเรียกว่าพวกเรื่องบาลีคือพวกพวกหาทั้งหหว่ของกฎหมายถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมดีก็ดีเลยอ้างอ้างธรรมะเลยนะอย่ามายุ่งในช่วงนี้ปฏิบัติธรรม <c oughs> จริงๆไม่มีใจ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของธรรมะในบางทีเราฟังมันง่ายแต่บางครั้งปฏิบัติมันยากแต่ถ้าจับเคล็ดมันถูกเหมือนคนโยมจับลูกุญเจนะ้านะก็จะมีคนแจเป็นพวงแล้วใน ล, ลูกอยเป็นศิษย์แต่ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นลูกไหนนะคุณเปิดคลิกครั้งเดียว เปิดทะลุแต่ถ้าเราไม่รว่ามันเป็นโลกไหนนี่บางทีเนี่ยอยู่เป็นสิบนาทีนะกว่าจะควานหาแม่กับลูกมาเปิดธรรมะก็เช่นเดียวกันบางคนฟังแล้วบางทีก็เบื่อบางทีฟังก็ไปก็หมันใส้พลาไปบางทีก็โกรธบางทีก็หวงกดโทรศัพท์ดูเนี่ยสารพัดฟุ้งไปโน่นไปนี่ไม่อยู่แต่บางคนฟังแล้วเนี่ในชีวิตฉันไม่เคยฟังอะไรที่ดีขนาดนี้มา ก, ก่อนอันเนี้ย คือความหลากหลายของคนน่ะบางครั้งคนหนึ่งรับได้คนหนึ่งรับไม่ได้เพราะอะไรสมภาะมองว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ตัวตัวเราเนี่ยมันเปิดเครื่องรับไหมในห้องนี้มันมีคลื่องหมดแต่ว่าถ้าคนโยมไม่ไม่เปิดโทรศัพท์เอาไว้เนี่ยเครื่อง น, นั้นจะไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคนโยมจะฟังธรรมะให้มีประโยชน์สมภามแนะนำเลยว่า <c oughs> ต้องต้องเปิดเครื่อเคลื่องของเราคืออะไร ตัวอย่าทําตัวให้มีอคติพระเยซูท่านบอกว่าคนที่จะได้เข้าไปใกล้พระองค์เนี่ยคือคนที่แต่งทารกส่วนพวกนักวิชาการเน่ยปล่อยให้มันวางกำลังดักงับขาตัวเองหมายความว่ายังไงคือคนที่รู้มากเรียนมากไม่ฟังพระหน้าเด็กกว่าฉันนีไม่อยากฟังจริงกิจารท่านหน้าใสหรือไหมว่าก็หาเรื่อเลยไม่อยากฟัง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เรามีวัฒนธรรมของการฟังอย่างลึกซึง้งคือดีฟลิสซิ่งฟังอย่างลึกซึง้งอย่าไปฟังอะไรอย่างผิวเหือนนะอุ้ยเร่งนี้ฉันก็รู้เรื่องการตลาดท่าไม่ต้องพูดฉันขายมาสักเท่าไหร่อย่าเพิ่งพูดที่รู้แล้วก็ฟังที่ยังไม่รู้ก็ฟังรู้บางๆป้าๆก็ฟังเพราะอะไรที่รู้อยู่แล้วมันชัดขึ้นรู้บ้างไม่รู้บ้างกระจ่ดกันคราวนี้ ถ้าอะไรที่มันมันมั น, ม, นมันเงาเง า, เงาสัลัวสุโรวันนี้ก็ได้รู้ได้เห็นครับคือพอเราเปิดขึ้นของเราปุ๊บเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์ถ้าเราฟังเป็นเราก็ได้ประโยชน์นะเหมือนที่เขาบอกว่าศิลปินนี่นนยจะดูมินศิละปะกองขยะดูดีๆก็มีศิลนสําคัญมาทีนี้พอเราเปิดขึ้นเปิดเครื่องรับของเราแล้วถามต่อไปว่าทายังไงจะอรมณ์ดีแล้วมีความสุข ธรรมชาติอยากให้เรานึกถึงคนคนหนึ่งซึ่งกําลังป๊อปปูล่ามากปูเย็นมันจ่อมรู้จักไม่ปูเย็นตรรมชาติก็ได้ดูรายการนี้แล้วก็รู้สึกเห็นแต่ทำมะไม่รู้เหมือนนักการตลาดแล้วเปล่าเห็นอะไรขายได้หมดเลยมีมีนักการตลาดบางคนไปนั่งฟังกับธรรมาติแล้วก็โจทย์ตลอดเขาบอกว่าอย่าโจทย์เลยทําไมอ่ะมันคมทุกคําอ่ะจะห่วง เราเป็น่งคือเขาต้มองเห็นแง่มุมตลอดนะมองเห็นแง่มุมว่ามันมันมันมันขายได้นะตรงนี้นะว่ากูว่าคุยกันเสร็จแล้วก็บอกพอได้พรที่จะไปทําหนังสือเป็นติดเล่มนะเพราะมันไปทั่วก็เหมือนกันมันเหมือนเราเราศึกษาธรรมะมาเราดูอะไรเห็นอะไรฟังอะไรมันเป็นธรามะหมดแต่มาภาพดูรายการปู่เย็นนะซึ่งอาจารยภาพเชื่อว่าเบื้องบนท่านดูนะไม่งั้นจะไม่มีพระราชธารมดูแล้วก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง ยังหนึ่งที่เห็นก็คือว่าทำไมแกอายุยืนร้อยเท่าไหร่ร้อยหกปีนะร้อยหกปีอายุยืนแล้วเนี่ยแล้วร้อยกปีเนี่ยยังยังทำงานได้ยังพายเรือได้นี่นี่ต้องถือว่าเก่งนะใช่ไหมแล้วไม่ยอมขอใครกินด้วยอาตมาทาตั้งคำถามว่าถ้าถ้าเขาไม่อารมณ์ดีไม่มีความสุอายุยืนไหมไม่มีถาม เพราะฉะนั้นเคล็ดับมันอยู่ตรงนี้นะทำไมแกอายุยืนตอบแบบให้มันตรงหัวข้อวันนี้เนี่ยเราเรียกว่านํเข้าสูบ่บทเรียนนะก็คือว่าเพราอารมณ์ดีมีความสุขก็อายุยืนทีนี้เราก็ต้องไปถามแกว่าแคล็ับของแกคืออะไรนี่เป็นเรื่องน่าคิดอัตมาพสรุปจากเรื่องนี้ก็เอามามาวางเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเคล็ดับหรือเป็นยุทธวิธีที่จะมาเล่าให้เราฟังได้ตั้งเก้าข้อ เนี่ยดูเป็นก็เห็นทํำเป็นเพราะฉะนั้นฉลาดดูก็ก็ได้เรื่องนะบางคนดูแล้วพระเอกทอดประพานนางเอกไม่เดินนึกโกรธถ้าเกิดชั้นหน่อยแล้วไม่ได้เนี่ยดูแล้วไม่ได้ธรรมะดูแล้วโกรธเราดูๆๆๆเราดูแล้วเราเห็นอู้เห็นธรรมะแพวพาวไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ติด ก, กั้นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างอุ ป, รปราการณ์สอนทําเต็มไปหมดเลยนะ ต่ภาพก็ดูบางเรื่องก็ดูมารายการก็ดูแต่มารายการก็ไม่ดูดูน้อยมากแต่ว่าดูเรื่องไหนก็จะออกมาให้มันใช้ประโยชน์ได้ทีนี้จากเจนิญปุญญ์เราก็เห็นว่าเพราะอารมณ์ดีจึงมีความสถามต่อไปว่าอะไรทําให้อารมณ์ดีหนึ่งเนี่ยแต่มาค้ามองว่าแกมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่ามีสัมมาทัศน์นั่นเองคือคนเราเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตยอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อปรัชญาอะไร คนทุกคนมีปรัช ญ, ญาหมดนะเขาเรียกว่า hmm. what you believe คุณเชื่ อ, อยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตเนี่ย mm hmm. เงินคือคำตอบคุณจะมุ่งไปที่ mm hmm. ถ้าชีวิตนี้ต้องมีมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถแพงๆคุณก็จะนํานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตเนี่ยคือการนุทิศตนรับใช้พระเจ้าคุณค่าคนเพื่อสนองพระเจ้าก็ได้ แต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตเนี่ยคือการเข้าถึงความดีความงามและความจริงคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่ในแบบความมีความงามและความจริ ง, ช, ช, ร ง, รงชีวิตคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างคุณหมอคอนทิสทัน่อก็อุทิศเลยไม่ต้องมีใครแต่งตั้งชั้นไปของชั้นเลยไปช่วยซีนาี้จนเกิดแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศลงไปช่วยกันเนี่ยคือเราเชื่ออย่างไงเราใช้ชีวิตอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเชื่อเชื่อไม่ดีซึ่งเขาเรียกว่านิฉาทิฏฐิหรือมิฉาลัคนาขึ้นมาชีวิตเลวเลยนะใไฮโซายบอกว่า ในการเปลี่ยนแปลงในใดก็ตามถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่มีทางประสบความสําเร็จในทการบริหารก็คือการบริหารจะประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่เราต้องวางคือนยโยบายนยโยบายคือวิธีคิดวิธีทํางานนั่นเองดังนั้นคุณจะมีอารมณ์ดีมีความสุขคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิหรือสมาทัสนะคือเชื่อในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามทีนี้มันกว้างมากจะเชื่ออะไรมันจึงจะถูกต้องดีงาม ทำตอบสั้นๆก็คือเชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาแค่เนี้ยสิ่งใดที่ดีทำสิ่งไหนชั่วเวน้นทำไมก่อนใะสมัยกรสมสำเร็จกรมพยาดรรงนธิาำลัะในยุคราชการที่ห้าเขาจะรับคนเขาทำงานเขาไม่สอบกันมากนะเขาเรียกเข้ามาแล้วถามว่าคุณเป็นคนยังไงมีคนคนหนึ่งบอกผมนี่อะไรอะไรที่มันดีผมทำอะไรไม่ดีผมเวน้นคนนี้ได้รับเลือกเข้าทำงานกระทรวงมหาดไทย เมื่อคนสมัยก่อนไม่มีความรู้มากแต่ว่าปกครองเอาประเทศรอดมาจากความเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมได้ท่านไม่ได้รู้มากแต่ท่านรู้ดีคนเดียนี้รู้มากแต่รู้ไม่ดีรู้มากหมายความว่ารู้ทุกอย่างเลยที่จะที่จะทําให้เกิดจาไรสูงสุดแม้จะเยียบหัวเพื่อนขึ้นไปก็ได้ข้าน้องฟองนายขายเพื่อนทั้งหมด <c oughs> ขอให้ประสบความสำเร็จอ่ะนี่นี่อันตรายมาก ซีอนั้นมาเก่งนะนั้นเดี๋ยวนี้มีซีโอเนี่ยก็คือก็คือมันจะมีหลายชั้นก็คือทุกอย่างต้องขึ้นไปเพื่อไปให้ถึงจุดสุดยอดของความคิดความเชื่อของเราซึ่งเราเรียกว่าคนเดี๋ยวนี้เชื่อในวัตถุนิยมและบริภทนิยมพอเชื่อในวัตถุนิยมมากๆ ก, ก, ก็ไม่เชื่อเรื่องเกาดตายเกิดไม่เชื่อเรื่องความมีความชั่วนะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ของเราเชื่อว่าชีวิตคือหนังมอนเดียวหมายความว่าพอตายแล้วไม่มีอะไรแนละ้วจบกัน ชีวิตไม่มีร้านลตาแล้วก็ววจบละพอเราเชื่ออย่างนี้นะซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างเช่นนี้นะพอเชื่อเช่นนี้ทุกวิถีชีวิตของเราเนะี่ยอยากกินกินอยากเดิมเดิมอยากนอนกับใครนอนอยากเดียนใครก็ทําสบายมากเพราะอะไรเพราะตายแล้วก็จบเพราะฉะนั้นจะไม่ห่วงเรื่องว่าโลกหน้าจะเป็นยงไงจะไม่ห่วงอันเนี้ยคือความเชื่อของคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นกันมากเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยมาตรฐามความดีความชั่วเดี๋ยวนี้เป็นสีเทาเช่นผม ไม่ได้ให้ใครมาเสียบบาตให้ผมนะผมีคนเสียบข้าวไว้มันมีคนไปเอา ม, มือไปทิ้งผมข้าวไว้แล้วไปทานข้าวมังงเนี่ยร้อยกว่าคนเลยเสียบข้าไว้เมื่อสถานความดีความช่วยเป็นสีเทาแล้วอันเนี้คือมันเริ่มมีวิจฉาทัศนะเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าความดีคือความดีความช่วยคือความช่วยเราจะไม่ทําอะไรที่ทําให้แหลวแหลก นึกถึงแล้วเนี่ยถ้าเราทํำดีมานึกถึงก็ชื่นใจแล้วถ้าเราทําชั่วเรามานึกถึงวันหลังมันก็เศร้าใจสลักขั้นตก็หนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เมื่อคุณทําลงไปแล้วจะทําให้มานั่งรํำลึกถึงด้วยน้ําตานองหน้าอย่าทําแค่นี้เองมันคุมทุกอย่างเลยนะอัจารยมาธาเชื่อว่าคนทุกคนรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีแต่คุณจะเลือกทําหรือไม่ทําเท่านั้นมันถ้าบางท่านบอกว่า เราไม่ดีบุรี่ไม่ดีอแต่มารู้บัตแต่มันอดไม่ได้นี่เขาเขโลกหอยนัก็คําคเนี้ยเพราะฉะ น, นั้นก็จะให้หลักตอนแรกไว้ว่าอะไรก็ทําที่ทําแล้วตมานั่งนะึกถึงด้วยน้ําตาหนองหน้านะอย่าทํานะใครเตือนเราก็ไม่เท่าเราเตือนตัวหรอนีอ่เป็นหลักท่านแรกมันจะ่งผลต่อการมีอารมณ์ดีและมีความสุขข้ออใดเพราะว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราเป็นนึกถึงเมื่อเรากลับไปบ้านเราไปนึกถึง พอจิตสํานึกเราย้อนมานึกใหม่นะนึกมองเห็นแต่ความชั่วที่ตัวเองทําคุณภาพจิตมันจะเปลี่ยนนะคุณภาพจิตจะเป็นลบแล้วคนที่มีคุณภาพจิตเป็นลบมันจะมีความสุขได้ยังไงไม่มีพอไม่มีความถูกหน้ามันจะใส่ได้ไงมันไม่ไส่อันเนี้ยมันเป็นทั้งประตูแรกของการมีอารมณ์ดีและมีอารมณ์เสียนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาทีฏฐิปุเราจะใช้ชีวิตถูกทางทันทีเหมือนกับรถที่มันวิ่งขึ้นทางด่วนนะ คนที่มีสัมมาทิฏฐิคือเชื่อในเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่มันดถที่ที่ขึ้นทางด่วนมันไปถูกทางแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงมันมันถึนงเป้าหมายแน่นอนแต่ถ้าคุณเชื่อว่าทําดีได้ดีมีได้ไหนทําชั่วได้ดีมีถอยไปเหมือนคนที่อยากจะไปเชียงใหม่แต่ไปขึ้นรถที่สายใต้ยังไงก็ไม่ถึงก็ไม่ถูกทางดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเชื่อให้ถูกทางก่อนเชื่อให้ถูกทางแล้วทํายังไงต่อไปก็คือคิดถูกทางความเชื่อความคิดจะมาด้วยกัน คนทุกคนเนี่ยยังไม่ทันได้คิดแต่จะมีความเชื่อก่อนเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นมาเน่ะเราถูกถูกฝังหัวมาเลยด้วยความเชื่อแต่ความคิดมันมาเกิดที่หลังมันเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรายังไม่ทันเชื่อพระพุทธเจ้าเลยนะเกิดมาพ่อแม่พาไปวัดแล้วนี่เราเชื่อก่อนต่อมามันจึงจะเริ่มคิดทีนี้จะคิดยังไงจึงจะทําให้อารมณ์ดีมีความสุขคนเรานี่มันมีคิดหลายวิธีแล้วเกินหนึ่งคิดตามสัญชาตญาณสองคิดตามเหตุผล สามคิดตามความรู้สึกตัวอ่งคิดตามสัมผัตใยาณก็เช่นเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วชอบเลยเรานี่แต่ ก, ก็ไาที่จะซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้ละพอเห็นชอบปุ๊บก็เดินเข้าไปหาเลยเหมือนคนคนหนึ่งน่ะเขาเขาหลงพันธรยามากพันธระยาอยากได้ทองก็บอกให้ทํายังไงจะได้ทองสามลีนเดี๋ยวพี่จัดการเดินเข้าร้านทองไปหยิบทองมาแท่งหนึ่งปรากฏว่าเดินออกมาโดนซ้อมโดนประชาธรนมนะสมมติว่าคุณทําทําไม คุณไม่เห็นเล้ ว, ว่าทอง น, นั่นเ้็นเจ้าของแกบอกว่าผมไม่เห็นครับคุณเห็นแต่ทองอันเนี้ยคือคิดตามสัญชาตญาณเหมือนช่วงก่อนที่เขามีเอข่าวกันนางเอกหรือคุณมีสุขแจ้าในสุขเนี่ยไปทำรายการของคุณคุณคุกกี้เขาจัดในทัศการกิเลสแต่ว่าให้คณมีสุขชว่วรางวัลสตรีดีเด่นไปเราไปลองไปดูดิว่า คนบงคนมันอยากรู้อยากเห็นนะไม่ไม่คำนึงว่าสั ง, งคมไทยเป็นยังไงคือคนหนึ่งก็อยากขายของนักข่าวก็อยากเห็นของสุดท้ายของเลิกขายไม่ได้ทั้วันที่จะได้รับกลายเป็นนุคลาบอันนี้คือคิดตามสัมผตสามเราไม่ทันรู้ทันเห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยหรือสิ่งที่บุบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะก่ออะไรขึ้นมานะมันพุบขึ้นมาแล้วก็บุบตามมันไปเลยนี่ไม่ทันได้ ว, ว่าคิดตามสัมผตสาจ ตอนคิดตามตามทฤษฎีหรือกรอบความคิดเช่นคนเป็นนักการตลาดเห็นปุ๊บอ๋อใช่ละท่านวอบ์พูดอย่างนี้แสดงว่าท่านกําลังเสิร์ฟหนังสือท่าน <c oughs> โยงเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่เอาดารามาริ่มเสวร์ฟนาด้วยนี่มันชัดถึงๆนะดีเขาจะเอินวินเกมเนี่ยดูนดักการตลาดคิดอะไรนี่เป็ <c oughs> นอย่างนั้นหมดคนเราคิดในกรอบคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาอย่างเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นบางครั้งคุณควรจะคิดอะไรในลักษณะที่เรียกว่าอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจอย่าคิดบนกรอบคิดมากเกินไปทำให้เรามองข้ามมนุษยชาตินะอ ย, อย่างครั้งหนึ่งเนี่ยมีชาวนาคนหนึ่งป่วยสมสารออกจากไร่จากนานมานอนปววอยู่ข้างถนนก็มีบาทหลวงนั่งรถผ่านมาเห็นชาวนาป่วยก็ลงไปถามว่าคุณเป็นอะไรชาวนาก็บอกว่าออผมป่วยอะ บัณหลองถามไม่ใช่คุณน้ำถือศาสนาอะไรชาวนาบอกผมน้ำถือศาสนาพุทธ ค, ครับบัณฑลวงกําลังจะยื่นมือไปช่วยอยู่แล้วบอกทิ้งเลยงั้นให้หลวงพ่อเธอพาไปโรงพยาบาลแล้วกันสอยเลยเ อ, อพอพระมาพระจะถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเออเมื่อกีก้แกบอกว่าเป็นพุทธบัณหลองไม่ช่วยที่นี้เปลี่ยนไปซะผมเป็นพิษครับพระบอกทิ้งเลยนะให้บัณฑลอยู่เธอพาไปแล้วกัน พักหนึ่งมีชาวบ้านมาชาวบ้านไม่รู้หนังสือเดินผ่านมาเห็นคนเจ็บร้องโอดโอยแบกขึ้นหนังแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลไม่ถามถ้าคําว่าเป็นอะไรคนนั้นรอดตายรอดตายเพราะคนที่ซื่อซือมีน้ำใไไสใจจริงอันนี้แหละคือบางครั้งคนทั่วไปเนี่ยมันจะคิดในลักษณะว่ามีกรอบความคิดคิดตามทฤษฎีคิดตามนักการตลาดคิดตามซีอีอคิดตามพระสงฆ์ คิดตามกรอบจนเรามองไม่เห็นคนซึ่งอยู่ต่อหน้าของเราได้วยนะแสนจริงเขามีของฝากมาให้เขาหวังอะไรจากเราหรือเปล่าเพื่อนโยนจั่งแดงสง่งเสอเสอมาให้อ๋อส่งของแพงมาให้ฉันแสดงว่าฉันต้องแพงกว่าเธอคิด <c oughs> อีกละเอาขวัญวันเกิดไปให้เพื่อนนะ่ะแต่ว่าเราเราหวังของแพงเราต้องทำให้ของแพงไปเอาของดีไปให้เพื่อนนะพอกลับมานล้วจะโกรธอันเนี้ยคือเรามีกรอบความคิดตลอดไปลาย ปัญญาของเราไม่เป็นอิสระแล้วเราก็ประเมินขึ้นมนุษย์ของเราเนี่ยโดยโลกาธาตุที่ผิดบ้างถูกบ้างเราไม่เคยมีน้ำ ใ, ใจจริงเพราะเราไปติดอยู่ในกรงขังของความคิดทีนี้วิธีคิดออีกย่างหึ่คิดคิดบนพื้นฐานของการมีสติกก็หมายความว่าเมื่อคุณจะคิดอะไรคุณรู้สึกตัวตลอดเวลาบางคนเนี่คิดแล้วไม่รู้สึกตัวนะนั่งคิดเนี่ยพุ้งเข้าไปถึงอเมริกาก็ได้พุ้งไปดวงจันทร์ก็ได้ นั่งฟังคำน้าอยู่แท้ๆนี่ก็คิดไปถึงวันถึงเปิดคอมจริงเอาไว้ไปโน่นเลยนะอันนี้คิดนะแต่ว่ามีสติไหมมันไม่มีนะถ้าคิดมีสติมันจะต้องรู้ว่ามันกําลังคิดถ้าอะไรอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดต้องรู้ทุกวันนี้เราคิดแล้วเราไม่รู้ไงที่ควรคิดไม่คิดที่ไม่ควรคิดนั้นคิดสเปะสวาไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดเนี่ยมันต้องคิดให้ถูก วิธีคิดที่ดีที่สุดคือคิดอะไรก็ตามขอให้รู้สึกตัวถ้าเราคิดอย่างรู้สึกตัวเราจะไม่คิดให้เป็นทุกข์นะมันคิดในรู้สึกตัวเนี่ยมันขึ้นเวทีไปนั่งมวยขึ้นไปไห่หอนหลุมดมันนอกแน่แน่ยังไม่ทันชกเลยะคิดให้เป็นแพนะอันเนี้ยเว้นายบอกให้ไปขายของนะเป็นเซลเออไม่ไหวบริษัทนี้แค่เดินเข้ามาก็รู้แล้วว่าเราเป็นรองคิดแบบนี้มันก็ขายของไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าน e g a t i v e t h ิ n k i n g คิดไม่ดีคิดทำร้ายตัวเองมันจะต้องคิดในเชิงบวกในทางสร้างสรรค์คิทีที่ดีที่สุดท่านที่บอกคิดอย่างมีสติถ้าเราคิดจะมีสติเนีย่ย เ, เราจะคิดด้วยความชัดเจนมันจะไม่หลงเข้าไปในอดีตไม่หลงไปในอนาคตแต่มันจะอยู่กับปัจจุบันสมมุติเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราคิดจะไม่มีสติเนี่ยว่าเธอมีใครมาถึงไม่สนละหรือว่าแต่วันน้นเวลาเนี้ยเธอถูกสเปคมากเย่ยจีบเลย มีคนไปบอกเ้ามีสามีแล้วก็ยังบอกว่าเราไม่ได้จีดเขาไลยเข า, ามันเริ่มมีปัญหาเดินเข้าไปในอุโมงค์ของความคิดนะเนี่ยไม่รู้เนะื้อรู้ตัวแล้วอันตรายจะมาถึงตัวยังไม่รู้อีนี่เราเป็นกันเยอะทีนี้เป็นกันมากเลยนะบางคนก็นบอกยุ่งกับใครไม่ยุง่งนไปไปยุ่งกับกิ๊กหัวหน้ายังบอกของนี้ใครเดียใครได้นี่แหละเนี่ยตกเป็นทาาของความคิด ดังนั้นเมื่อคิดอะไรแล้ถามถามเองว่าเราคิดดังนี้สติไหม น, นี้ประการที่สองทีนี้ประการที่สามก็คือว่าวางตนเหมาะสมหนึ่งก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิสองสองหนึ่งหนึ่มีสัมมาทิฏฐิสองดำดิจูทั้งสามวางตนเหมาะสมอางตนเหมาะสมก็หมายความว่าเราเป็นใครเราวางตนเหมาะสมไหมเราเป็นยามแต่ตึกที่เราดูแลอยู่มันเป็นตึกยิ่งใหญ่มากแม้เห็นใครเดินผ่านตึกเรานี่ขรามมากเลย ขนาดเป็นยามนะยืนเฝ้าตึกเฉยๆย่างขนาดนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางครั้งการวางตัวของเราไม่เหมาะสมบางทีเราทํางานกับเจ้านายนเราก็ไม่มีอะไรเราเป็นเราควรจะเป็นผู้ทํางานให้เจ้านายแต่บางทีเราทําตัวเกินเจ้านายเป็นคนเรื้อรือแต่เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากดูอีโก้มากกว่าเจ้านายเขาเดินไปที่ไหนนี่ยปลูกต้นกลางหมดเลยไม่ถูกนี่คือวางตัวไม่เหมาะสม ยังสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันลูกศิษย์คนหนึ่งประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์มากไปยกย่องสรรเสริญพระองคว่าเออสมเด็จเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นถึงพระอภิบาลของในหลวงพระอภิบาลกับพระที่เลี้ยงตอนในหลวงทรงมโนหรือเป็นถึงพระอาจารย์ได้เข้าไปถวายเทสในหลวงถึงในพระราชวังก็ไปไปไปชมต่อหน้าพระองค์พระองค์บอกว่า อยากพูดแบบนี้ถึงนั่นจะเป็นความจริงก็ตามเธอจะต้องรู้ว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครเป็นอาจารย์ในหลวงหรองเราทุกคนนะอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทมีหน้านะที่ต้องสนองงานพระองค์ทั้งนั้นนี่เขาเรียกว่าวางตนเหมาะสมคนบางคนวางตนไม่เ ห, เหมาะสมเขาไปได้รู้ได้เห็นได้คุยอะไรตรงนี้ พระราชปฏิสันฐานด้วยอนี่หน่อยเก็บออกมาพูดข้างนอกสร้างราคาให้ตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักวางตัวไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำหรือคนบางคนได้ทํางานกับคนดงังซึ่งเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาไปรู้ไปเห็นแล้วเก็บมาคุยข้างนอกหรือบางทีนายกมาไปถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปการช่วงเงินได้มาตั้งสี่ห้าแสนนี่นายกสนิทกับฉันมากเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกว่าไม่รู้ที่ทำที่สูงวางตัวไม่เหมาะสม เราบางตัว ไ, ไม่เหมาะสมเดือดร้อนเม็นเดือดร้อนทุกทายถึงแม้ในช่วงแรกอาจจะทำให้ระุมใ่แต่ระยะยาวเนี่ยคุณย่องย่องคนที่คุณไปเกี่ยวข้องเลยซึ่งเป็นคนที่บุตรผ่องมากแต่ตัวคนเองใคาๆก็รู้ว่ามันกระดมกระด่างอ้างถึงคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องในขณะที่ตัวเองกระดมกระด่างสังคมก็จะเห็นคุณทันทีว่าเป็นคนประเภทไหนแต่นไหมคนอย่างนี้เนี่ยจะถูกลดคนค่าทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องวางตนเหมาะสมนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเป็นเรื่องที่สอ น, นลําบากมากเพราะในหลักสูตรทั้งหลายไม่เคยสอนนะ เราจะต้องรู้ด้วยการกล่าทางสังคมคือคนนั้นบอกคนนี้นะเรื่องอย่างนี้บางทีบอกกันตรงๆก็มีคนอีกฉาแหมไม่อยากให้ฉันยุ่งกับเจ้านายละสิปรากฏว่าเขาเตือนยังมม่ฟังอีกนะอันนี้สําคัญทีนี้ราการต่อไปคืออืมชื่นชมคนอื่นคุณยมลองคิดดูนะถ้าเรามีคู่แข่งอยู่คนหนึ่งแล้วมันต้องแข่งกันตลอดเลยเนะี่ยทํางานยังไงมันนึกเคินเดนด ก, กนะนั่งกันคนละ้า เม่เห็นผมมันโผล่มานิดเดียวมัน ข, ง ข, ง ข, งขงังหลุมขังนื่งกันคนที่โลกได้ยินถึงโทรศัพท์นี่มันทำไมมันใช้เสียโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เขา้ามาไปไล่หมันได้ครับเดินขึ้นตึกเปิดชั้นวางรองเท้าเห็นรองเท้าเข้าวางอยู่ข้างบนกดึงออมาวางข้างล่างแต่ละพัทจะทำอันนี้คือมนุษย์คือถ้าเราไม่รู้จักชื่นชมคนอื่นนะสังเกตไหมว่าเหมือนจะมีไฟมันไมอยู่ข้างในเนี่ย อยู่ที่ไหนมันเรื่องใหม่นิลังสุกเห็นเขายิ้มก็เคลียดทันทีเลยนะฉันรับไม่ได้ที่มันยิ้มมันหัวเราะได้ยังไงอันนี้คือคือโลกแหงความเป็นจริงนะพราะฉะนั้นคนยอมลองคิดดูนะเออถ้ามันเก่งนะลองชื่นชมนะโอ้ยดีจังเลยเนี่ยเราก็ไปชื่นชม เ, เขาบ้างนะเขาได้ท่านตาแหน่งก็ดอกม้ไปเขาบ้างแล้ ว, ว่าสังเกตข้างในตัวเองนะมันมันจะใสคุณภาพจิตมันจะดีขึ้นทันที แต่ถ้าเราแค็งเราอาฆาตเขานะปีนี้มันขึ้นสามขั้นรวดแข็งมากเราโมแต่แค็งเราจริงไม่ต้องจะทำยังงโมแต่แค้นเข า, าคุณภาพเจิตเสียคุณภาพงานเสียงุดพุ้นงุ ด, งดอยู่ที่ไหนไมึ่พูดไม่จาเพราะอะไรเพราะเห็นคู่แข่งได้ดีไม่พูดกับใครทั้งหมดสุดท้ายกลายเป็นคนที่ไม่มีใครครบโกรูเขาตัวเองแย่แต่ถ้าเราชื่นชมเขานะโอ้เจ๋งจังเลือดเดี๋ยวกลายเป็นพวกเดียวกัน พอเป็นพวกเดียวกันปุ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉัช่วยพูดกับเจ้านายให้มันขึ้นด้วยกันนะอันเนี้ยเพราะฉะ น, นั้นให้สังเกต น, นะในขณะที่เราโกรธเขาหมั่นไส้เขาหรือสยหาเขาไฟมันก็ไหม้ั้างในแต่ถ้าเราชื่นชมเขาปีติยินดีกับความเก้นนากล่อมของเขาเนี่ยคุณภาพจิตเปลี่ยนแล้วมันมันพลิกพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพอมันลุณภาพเราก็ได้แต่ถ้าเราไปโกรธเขาไปริษยาเขาเนี่ยเดินผ่านเห็นหลังไว่ไม่วันนี้ก็เข้าแม่อร่อยนี่ คุณนักวิจิตมันต่ําลงนันดีแล้ววูบเลยวูบลงไปแล้วสัมพันธภาพเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นสัมพันธภาพนเน่ยเขาไปที่สยามเขากลายเป็นสัมพันธภาพทําอะไรไม่ดีแทนที่จะคนสํารารงานสําเร็จมันเป็นไรเป็นงอนทุกงานสําคานทุกคนเดินเข้าตรอกไหนซอยไหนมันไม่เลยเลยอันเนี้ยสําคัญมากมากเราก็ไปดูประการที่สี่ดูประการที่ห้ายิ่งไม่เปืนสังขารทําอะไรก็ตามไม่เปืนสังขาร บางคนอายุมากแล้วเด็กๆวัยรุ่นมาเตือนบอกเฉยไว้ฉันผ่านโลกมาก่อนอืบางดีเขาก็เป็นห่วงไนงะบางทีจ้องคอามมากๆเนะี่ยมีผู้บำณีมามาว่าจะไปจ้องมากเขาก็มาเตือนแล้วก็ไปโกรธเขาอีกไปว่าเขาอีกเพราะฉะนั้นบางทีเราทํางานมากเกินไปนะเราได้งานถ้าจริงนะแต่เราเสียสุขภาพนะได้งานแต่เสียคนเขาเรียกว่างานสําเร็จแต่คนเสร็จ นี่คุนยอมทาอะไรคนยอมต้องคิดนะเดีย๋ยวนึกว่างานทุกวันนี้มันมันมันแม่เอาคนรัชีวิตเราไปนะผมเรียก ท, ทำงานหามรุ่งหามค่ำออกจากบ้านเตะห้ามาถึงที่นี่ทําเลยยังไม่เริ่มเวลางานแต่ขยันทําก่อนเขาเลิกสองทุ่มตัวเองเลิกสี่ห้าทุ่มก 4, ลับไปบ้านเนี่ยคุยกับลูกกับภรรยาเนี่ยผ่านรถปรากฏว่าเราได้งานเต็มร้อยเลยนะ แต่ว่าคุณชีวิตเราไม่มีเลยไประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นคนทํางานแต่ล้มเหลวในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งล้มเหลวในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาแต่ในโลกของการทํางานคุณเป็นนักธุรกิจดีเด็ดอันนี้แนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราปลียนสังขารทํางานมากเกินไปู้บางทีงานก็ไม่สําเร็จคนก็ไม่สําราญสุดท้ายพอมีเงินมากๆ ก, กลายเป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าโรคอารยธรรมคือโรคเศรษฐีในห้องไอซีู มีเงินมากแล้วก็ป่วยได้โรคที่แ็งๆด้วยนะเจีดยาเข็มหนึน่งในห่มหมื่นสองถึงอาทิตย์หนึ่งต้องจีดทุกวันวันละเข็มละแ0 0 0นี่โรคอารยธรรมคือโรคคิดก๊อฟฉันไม่ป่วยหรอกป่วยทั้งที่ต้องแพงๆพอๆกับท่าเงินเดือนเราเนี่ยบางครั้งเราป่วยตังขาเราก้เป็นนะอ่าตระหาพสมัยเป็นเน้นน้อยเคยเป็นนะ้มันชา ขอโทษเธอตั้งแต่เท้าจนถึงท้ายถอยนั่งมากแล้วก็ไม่พักไม่ผ่อนทำงานทีนึงก็เหมือนกับว่าอ่าเข้าฌานไปเลยนะเหมือนกับเจ้าประทับทรงเวลาทํางานแล้วเนี่ยไม่มันมันซึงมันดิ่ง <c oughs> เจ้าประทับทรงทํำไปแล้วเนี่ยโอ้ยบางทีไม่ฉันนะตั้งแต่เท้าไปเลยบางทีนั่งแต่ตกลางคืนนะเย็นหกโมงเย็นนัดถึงหกโมงเ้าแล้วมันนั่ ง, ท, งทํางานเอาแดดจ้องอีกทีหนึง่งงาได้เวลาดินทับบัา อยู่ม้ว่าหนึ่งป่วยเลยเด็กต้องหามหามลุลกเองไม่ได้มันชาไปแถบหนึ่งเนี่ยพอมั น, ม, นมันมาเตือนพวกเราเรื่องหัวไม่ได้ละแสดงว่าวิธีชีวิตที่เราใช้อยู่นี้ท้ตรายต้องเปลี่ยนรูแปแบบนอนนอ น, นอนมากเกินไปก็ปวดหลังอีกก็เลยหาวิธีปรับว่านั่งนอนเดินก็พยายามปรับจนมันเกิดสม ด, ดุลแล้วสม ด, ดุลนี้ใครบอกเราก็ไม่ได้นะ ถ้าะอะไรมันเป็นเรื่องข้างในแม่เมื่อเรานั่งทานเข้าด้วยกันอาหารมาพร้อมกันโต๊ะเดียวกันอาหารเหมือนกันอืมเริ่มทานพร้อมกันทังเกตณฑ์แต่ละคนอิ่มไม่พร้อมกันจะอิ่มไม่พร้อมกันทุกคนนั่นหมายความว่าลิมิตหรือความพอดีของแต่ละค น, นไม่มีใครบอกใครได้เรารู้ของเราเองดังนั้นเมื่อเราทํางานเนี่ยเราจะบอกนะว่าเฮย้ยช่วหน้ า, นา ย, ยังไม่เลิกเลยมาก่อนเราเอีกยังทำถึงสามทุ่มสี่ทุ่ ม, ม, ม, มเราก็าเอากับเท่านายนะ เราก็ลุยกับเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นโรค ก, กับพาะเท่านั้นเองโกกอรคกระเพาะถามหาโรคเครียดถามหาดิเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํางานให้ถามเจงนิดหนึ่งว่าเรากําลังทํางานเนี่ยแล้วให้คนสำรานงานสําเร็จหรือเปล่าอย่าบ้าทํางานเหมือนกับเจ้าประทับทรงแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ออกไปเนี่ยเป็นลมไปเลยไม่ดีถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่มีศุกร์ท่านบอกว่าอะโรคยะประมาลาภา ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลามันประเสริฐในทางกลับกันนะความมีโรคก็เป็นทุกข์อันสาหัสคือมีเงินขนาดไหนมีกิ๊จโวยขนาดไหนมันช่วยไม่ได้ <c oughs> เวลาปวดท้องขึ้นมาเนี่ยนะปวดท้องกะบพ่อเลยปวดท้องไส่ติ่งขึ้นมาในกิกช่วยคนไม่ได้เลยนะหนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้นให้รักษาสุขภาพให้ดีถ้าสุขภาพดีเนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีเงินเขาก็ยิ้มได้นะอย่างธรรมะท่นานี้ไม่มีเงินนะ อาทิตย์นี้ไม่มีเงินเลยสักร้อยบาทแต่อยู่เฉยๆเลยกูจีไม่มีใครรู้กับเราหรอกเรานั่งนิ่งๆไหม่บอกใครว่าไม่มีเงินภาพกูย <c oughs> <c oughs> ังดูดีนลยแรักษาสุขภาพนะสุขภาพของเราสําคัญมากรักษาไว้ถ้าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วหมดหวังเลยมันสําคัญที่สุดมันเป็นแกนของชีวิตต้องสุขภาพดีแล้วจะงอื่นดีทีนี้ไปดูต่อไปกนะ็โหงนี ทำงานสุดเจริญงานสุดจริญคืองานอะไรหนึ่งถูกทำสองถูกกฎหมายถูกทำถูกกฎหมายแต่คนทั่วไปในเวลาทํางานเอาถูกใจเป็นหลักนะบางคนต้องการงานที่ถูกใจในสามปีสิบสี่นายนะ่ะหางานที่มันถูกใจเนละเปลี่ยนตลอดไปอยู่ที่ไหนบอกนายไม่มีนายชี่ยวนายเซ็จริงๆตัวเองสั่งก็ผ่านไม่ต้องเติมน้ําตานะะหลัออกเอา จะหลับหมือนตัวเองเคียนก็ยังมองไม่เห็นนะนี่ก็เปลี่ยนในไปด้วยเพราะตัวเองมันไม่รู้ตัวเองไงเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยขอให้ทํางานสุดจริตถ้ามันเป็นงานสุดจริตแล้วขอให้เชื่อมั่นแบบไม่มีงานไหนต่ําถ้าทําด้วยใจโสนั่นคือทํางานที่มันสุจริตคุณจะมึงคิดด้แม้แต่ช่างเย็บรองเท้าที่ก็อยู่เคียนเดยเสร็จเขาเปิดร้านทํารองเท้ามาขี่ปี อยู่ไปตลอะแล้ววันหนึ่งก็มีคนเอาฉลองพระบาทของในหลวงมาให้เนี่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคุณจะเห็นได้ยังว่างานต่ำแต่ทำํำด้วยใจสูงเขาได้เย็บฉลองพระบาทถวายในหลวงกับเทียบอีกคนหนึ่งซึ่งทํางานค้า ม, ามันเงินเดือนมีเงินหมื่นล้านเดินกลางถนนกลางวันยังไม่ได้เลยนะไม่เรื่งานพาเปล่อกับช่างทํารอ ง, ทงเท้าตั้งเลยคนหนึ่งทําไปทำไม ในหลวงทรงเห็นความสําคัญเอาฉลองพระบาทมาใช่ชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการอะไรแล้วนี่คือเกียรติภูมิ ส, สูงสุดของคนทํางานสุจจริตนี่คือเรื่องจริงจริงซึ่งเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยดังนั้นถ้าเราทํางานนะขอให้ถูกต้องแล้วก็ถูกทำอย่าเน้นเรื่องถูกใจมากคือถ้าถูกใจฉันเนี่ยสตาบับเชื่อว่าโหขายยาบ้านนี้รวยเร็วมากนี่คือถูกใจนะถ้าถูกใจนี่มันจะมีปัญหาการถูกทำ มันไม่ดีเพราะฉะนั้นงานอะไรใามที่คุณจะทําในชีวิตขอให้ดำเนินไว้มันสุจริตเพราะงานสุจริตเนี่ยถึงวันหนึ่งเมื่อเรามานึกถึงเงินที่เราได้มาเป็นเงินเย็นแต่ถ้างานไม่สุจริตเงินที่เราได้มามากขนาดไหนเป็นเงินร้อนแล้วเงินร้อนไม่เคยทําให้เจ้าของเงินมีความสุขตรงินข้าเงินเย็นถึงแม้จะเป็นจํานวนน้อยแต่มันจะไม่ย้อนกลับมาทําร้ายเราเงินร้อนถึงแม้จะเป็นเงินมาก แต่มันจะเาะผาผลาญเราเหมือนไฟสล่มขอนให้เรื่องเงินเย็นอย่าเรื่องเงินร้อนที่ไม่อยากได้เงินเย็นงานต้องเย็นนั่นคืองานสุดเจริญเกณฑ์วัดว่างานอะไรสุดจริญมันง่ายมากเอาสินห้เป็นบรรทัดฐานงานไหนก็ตามที่ไม่ขัดสินทั้งหนะ้าน่ะสุจริญหมดเลยแล้วอย่าห่วงว่าต้องเป็นงานโฉมงานสั่งงานสุดจริญเนี่ยอย่างที่บอกคืองานเย็บรองเท้านะ่ะ ถ้ามันสุดจริตแล้วทํำด้วยใจสูงมันก็เป็นงานสูงความสูงต่าของงานมันวัดกันที่เนื้องานไม่ใช่วัดกันที่สถานะภาพทางสังคมก็ประเมินไม่ใช่ว่า ง, งานสูงต้องเป็นนายกและมนตรีประเทศนี้มันเป็นด้วยคนเดียวไงตะเกียรตะกายจะเป็นกันเลยทะเลาะกันทุกวัน <c oughs> พูดอะไรมาค้างหมดเนี่ยเพราะมันแย่งกันไงจริงงานไรก็ได้ก็ทำไปเถอะอันนี้งานตัวจริตเราไปดูต่อไปคือว่าฝึกจิตให้สูง ประเด็นที่เจ็ดฝึกจิตให้สูงคือรากฐานของอารมณ์ดีเนี่ยในในหกข้อที่พูดมาเป็นการปรับกระบวนการปรับเรื่องข้างนอกเพราะชีวิตี่มันมีข้างนอกข้างในจู่ๆจะฝึกจิตเลยไม่ได้มาต้องปรับข้างนอกอะ่ะหกข้อที่ผ่านมาเนี่ยจะภาพเรียกว่าปรับข้างนอกทีนี้ปรับข้างนอกมันช่วครั้งชัว่วคราวบางคนบอกยิ้มตามหลักจิตวิทยาเขาบอกเกิอดอะไรขึ้นให้ยิ้มแต่มันยิ้มได้มาตลอดนะ พอหลุดเข้าห้องปุ๊บโกดเลยตัวมานมาเั็มทีเลยแต่เดี๋ยวตอนนะักก้นธาะกรรมนัเป็นยังไงเนี่ยพอหลุดเข้าห้องปุ๊บแขนดึงเลยบางทีแข น, นแขกําลังเดินมาเนี่ยเห็นไกลๆก็ ส, สิบเมตรเลย ม, มันมาไม่เหน็นน้ำพอมาใกล้สักสามเมตรอ้าวมายังไงนี่คือหนักจิตวิทยามันไม่สีรังทํำบ่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ยิ่งทําเจียวเล็บยิ่งงอก เดินไปไหนต้องให้ลูกน้องคอยลบมันเป็นห่างยาวไปเลยเที่ยงงงไม่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกทั้งนอกไม่อดต้องลงลึกถึงทั้งในถึงรากถึงฐานของมันนั่นคือฝึกจิตฝึกจิตให้มันมีภูมิคุ้มกันซึ่งตรงนี้คงไม่ลงรายละเอียดนะดแต่ภาพจะพาฝึกหลังจากที่พูดเสร็จแล้วนะคุณโยมจะได้ลองดูทีนี้ถ้าเราฝึกจิตถูกต้องเนี่ยเราจะมีคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเกณฑ์วัดว่าจิตของเราดีขึ้น หนึ่งเมื่อเราฝึกมันเพลินฝึกแล้วนี่เพลินเพื่อเพลินเจริญใจเหมือนกับไรนนั่งอยู่ใกล้สาวคนรักไอ้สไตล์บอกว่าถ้านั่งอยู่ใกล้สาวคนรักหนึ่งนาทีนี่เหมือนหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นนั่งอยู่บนเตาไฟหนึ่งนาทีนี่เหมือนหนึ่งปีเมื่อเราฟังธรรมแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันเพลินจังเลยเธอแดงมากมันถูกทาง แต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปที่คอมเพื่อฉันนี่นสแสดใจก็ไม่ถูกเ่ะอันนี้เป็นเกณฑ์ว่าแต่ว่าคุณปฏิบัติ ท, ตทําก้าวหน้าไหมถ้าก้าวหน้านี่มันจะเจริญจะเจริญใจโอ้สนุกจังเลยอย่างนี้หนึ่งเพลินสองอิม่มใจหรือเกิดปีติ อ, อิ่มใจโอ้ยในชีวิตฉันว่าเมื่อกี้ฉันทานไว้ก็อร่อยแล้ว เมื่อกีฟังท่านวาพูดอร่อยหอมเพิ่หอมขึ้นมาคาหนึ่งท่าด<สฤฎ>ีดีเลยนะคื อ, ค, อคือมันตีติดอินใจพออินใจแล้วมันเป็นแหงบางครั้งมันขนลบมันซาบ้าบบางทีฟังบางเรื่องที่ท่านพูดแล้วทำให้ตัวเราชาอาจารย์นะเคยไปเทศแล้วเทศไปเทศไปตัวชาตั้งใจหัวจะหดเท้าเพราะเกิดความรู้ที่มันโผล่ขึ้นมาเขาเรียก intuition มันติ้งแล้วมันแวบขึ้นมาเขาได้ติ้งแวบ อันนี้ตะวันตกกำลังสนใจมากเรื่องไหนเรื่องจริงแบบเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีหนังสือเขียนออกมาแล้วจริงจริงเพระพุทธเจ้าก็ใช้เราเรียกว่าสมาธินั่นแหละคือบางทีเราก็เรียกกันว่าเก็ตหรือป็นไอเดียอันนี้คือปีติเมื่อมันติคลิกถูกถูกถูกที่ถูกทางทั้งมันนะฟังธรรมะแล้วอิ่มขึ้นมาเลยอิ่มอกอิ่มใจเออมันดีจังเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้ทนพูดมันจะมาตรงฟังแล้วอิ่ม อันนี้ก็แสดงว่าเป็นเครื่องวัดว่าจิตเราสูงเริ่มมาถูกทางต่อไปเป็นยังไงฟังแล้วสงบปกติเราเป็นคนที่ร้อนมากใต้นั่งไหนบอกได้เลยว่าเดี๋ยวต้องลุกเลยไม่เกินห้านาทีต้องลุกหรือไม่งั้นสักพักหนึ่งต้องเอามือถือขึ้นมากดดูถึงไม่มีใครโทรมาก็กดก็ดู <c oughs> มันจะไิ่ม่ได้เลยอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องหาอะไรทตลอดแต่พอมานั ง, องอฟองไปฟังม า, ม, ามันชั่วโมงครึ่ง เป็นไปได้อย่างไงแลว้วเราเป็นคนที่นิ่งบางคนก น, นั่งหลังจงอยู่ตลอดที่แสดงว่าเราสงบลงเห็นไหมนี่เราสงบลงเราจากที่เราเป็นเสือเราเป็นแมวบ้านเลยอ่งเนี่ยเนี่ยคือมาถูกทางแล้วต่อไปเป็นยังไงเรามีความสุขความสุขก็หมายความว่าเออทำไมมันฟังแล้วมันปโปรง่งมันเย็นมันสบายคือมันมีไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจเลยนะ อืมตรงระาังก่อนเข้ามาเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเมื่อกี้เจ้านายเพิ่งเดบแน ม, มาหยงหยงยังดังกล้องอยู่ในหูไม่หาย <c oughs> แต่พอมาที่นี่ปุ๊บมันเลยนะและใจมันโปรโงมันโล่งมันเบาอันนี้คือความสุถ้ามาถึงขัน้นนี้แล้วมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นเกณฑ์วัดว่าจิตเราสูงขึ้นคือมีสมาธิสุดท้ายเราสามารถจับแก่นทเทพะพูดได้ทั้งหมดทุกเรื่องทุกประเด็นอันนี้คือเราเกิดสมาธิ นี่ก็คือเกณฑ์วัดว่าเมื่อเราฝึกจิตให้สูงแล้วมันจะมีห้าข้อคือหนึ่งพ ล, ลัินดรสองเบิกอิ่ม 3, สามสงบสี่สุขและห้าสมาธิถ้าคนโยมมาฟังทำแล้วเกิด อ, อย่างนี้ก็แสดงว่าเราเริ่มก้าวหน้าแล้วในชีวิตของเราอย่าลื ม, มว่าคําว่าแก้าหน้านี่สองแก้วหน้าหนึ่งแก้วหน้าในฐานะคนทํางานเราประสบความสำเร็จเรามีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนี่คนทํางานสองเราก้วหน้าในฐานะที่เราเป็นมนุษยชาติ ในฐานะที่เราเป็นคนเล็กๆคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเกิดมาบนโลกเราควรจะมีความสุขอันนี้เรามีรู้อย่างตัวนี้ธรรมะจะให้ได้ทีนี้มาดูข้อต่อไปก็คือว่าข้อแปดไม่ปรุงแต่งความคิดข้อเจ็ดในสุดเจียติให้สูงข้อแปดไม่ปรุงความคิดนี่สวดเกียติให้สูงแล้วไม่เปรุมความคิดความคิดเนี่ยเมื่อกี้ธรรมะเคยพูดมาถึงวิธีคิดทีนี้พูดถึงว่าไม่ปรุงความคิดมันเป็นยังไง ปกติเนี่ยธรรมชาติของจิตมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะจิตเหมือนปลาที่อยู่ในน้ํามันมันดิน้นปลาที่อยู่ในน้ํามันจะมีความสุขมากเลยแต่ถ้าเรามาวางบนบกนะวางบนเขียงเห็นไมไหมปลาดิ้นตลอดพูดถึงปลาวันวั น, วนก็เลืถึงโรคจิตเขาโทรมาหามาติดต่อธุรแต่ก่อนที่จะติดต่อเขาก็ปล่อยมุกมาเรื่องหนึ่งทดลองพระอาจารย์เขาถามว่าทำไม ปลาไม่มีหูเราไม่ได้ดูทีวีเราไม่รู้อะไรเลยเขาบอกว่าถ้าปลามีหูน้ำจะเข้าหูปลาหมด <c oughs> นี่เป็นเรื่องนะ <c oughs> นคิดนะเหตุท <c oughs> ี่ปลาไม่มีหูเพราะน้ำจะเข้าหูปลา <c oughs> คนเราเช่นเดียวกันคือบางเรื่องเนี่ยเราไม่ทุกนะแต่เพราะว่าเราทำให้ของเราเนี่ยมันขยาย เขาเรียกว่าขยาย MC ยัฟวิสัยคือมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราขยายความสามารถของหูให้กว้างขึ้นเขาพูดกันอยู่นู่นเพื่อนได้ยินแอบทาบข่าวมาบอกนี่นะเราละไปถามมันี่มมันจริงนะเนี่ยเพื่อนกงสาฟังดีฟังนิดนิดไหนไนก็เก็บมาพูดอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่เราขยายหูของเราให้กว้างขุ้นเนี่ย เพราะฉะนั้นธรรมาชาติเข้าใจปลาจึงไม่ปล่อยให้ปลามีหูน้ำไม่ไหลเข้าปลาไม่ทุกอ็ไม่ทุกทางหูมนุษย์นี่มีหูทุกจังเลยที่ดีก็ฟังที่ไม่ดีก็ฟังปกติเรื่องดีๆนี่ฟังแล้วก็จําไม่นาแนแต่ในมนุษย์เนี่ยแต่เรื่องไม่ดีถ้ามีคนว่าแล้วโอ้โหตั้งแต่ปีนี้แล้วปีนี้ก็ยังจําทุกทางหู เพราะฉะนั้นทุ ก, ม, กมันมาหมดแล้วมันมาตามตามอวัยวะของเราบางคนก็ทุกทางป่าทุกทางป่าเนี่ยมันมันไม่ยากเขาบอกว่าพูดให้คนรักยากนักจากหวังพูดให้คนช่างแป๊บเดียวก็ทําได้เชื่อหรือไม่เชื่อคุณยมกลับออกไปลองดูนะพูดให้คนจังเนี่ยไม่หลอนเลยใช่ไหม <c oughs> ทุกทั้งป่าเขาเรียกว่าโอทภัยทีนี้ทุกทางหูก็อย่างที่บอกเราไปฟังเรื่องซึ่งมันไม่เป็นเรื่อง เรื่องซึ่งไม่ควรฟังเราก็ไปฟังทุกทางตาเราไม่เห็นดาราเก็บมาคิดทาไมเดี๋ยวนี้ชอบทำเต้าหกกันทั่วไปคนไทยมันเป็นอะไรกันพาทำไมไม่สอนเลสไปว่าพาเพราะรัฐบาลไม่สนใจทุกคนจะหมดเลยสุดท้ายเดินไปไหนก็ใครมาใกล้ก็พานมือเงียบหมดอันนี้แหละทุกข์ตาของเราเนี่ยไปรูปไปเห็นแล้วพอมันขาดสะเต็จปุ๊บเราก็ว่าเลยนะ ที่นี้ต่อไปเป็นทุกทางอะไรทางใจหมกทุกทางใจหมกมานั่งฟังหรือเข้ามาห้องนี้เออวันนี้เขาปรับอากาศดียังไงเดีย๋ยวต้องไปถามคนจัดห้องมาเข้ามาแล้วชื้อ่นใจอุตสาเก็บหอมรอมริกว่าจะเจอน้านหอมชนิดนี้ได้ทั้งปีกว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเรียกว่าทุกทุกทางใจหมกสรุปแล้วนี่มันทุกมันมาทุกทุกทางถ้าเราไม่ไม่มีสติคือเราเร า, เราปรุงความคิดปุ๊บเนี่ย ความรมดธรรมด า, รรมดาก็ทําให้เราทะเลาะ ก, กันได้อย่างสองคนพี่น้องไปเที่ยวด้วยกันเย่งกันซื้อรถจรักรย์พี่ซื้อได้น้องแคร์บอกพี่ถ้าทูกเนะี่ยพี่ต้องแบ่งเครื่อนทั้งพี่บอกเรื่องอะไรทั้งจะแบไปี่สิบห้าล้านต้องเป็นของสามคนซื้อได้น้องไม่พอใจถ้าไม่แบ่งพี่จะซื้ออะไรถ้าถูกนะ่ยฉันจะซื้อรถเบนซ์คลาสมาขี่ น้องก็ถามว่าแล้วจะให้นั่งไหมเรื่องอะไรจะให้นั่งไปสักพักนั่งน้องโชคหน้าพี่คว่ำเลยยังไม่ได้ซื้อรถรู้นะแค่คุยกันนี่แค่มันคุยเรื่องในอนาคตมันยก็มาทะเลาะกับปัจจุบันแนละ้เห็นได้อย่างถ้ามันปรุงความคิดนะปรุงไปปรุงไปเนี่ยโอ้ตายเพราะฉะนั้นคนยอมคิดคนยมถามว่าเราเราคิด จากระฐานของปัจจุบันขณะหรือว่าคิดเพราะว่าเราปรุงความคิดถ้าเราปรุงความคิดเมื่อไหรมีเรื่มตลอดนะเพราะฉะนั้นจงคิดอย่างมีสติทํายังไงจรงจะคิดแต่มีสติมันต้องฝึกสติซึ่งเดี๋ยวเราได้ลองฝึกกันทีนี้ไปดูประการสุดท้ายเนี่ยไม่ยึดติดโลกกระทคุณจะอยู่ในโลกอย่างอารมณ์ดีมีความสุขต้องเข้าใจโลกกระทำโลกกระทแปลว่าธรรมดาของโลก หรือแปลให้ร่วมสมัยว่ากฎกติกามารยาทของการอยู่ในโลกถ้าคุณไม่เข้าใจโลกกระทำคุณจะถูกโลกกระทํา mm hmm. ะสําคัญนะโลกกระทำคือกฎกติกามารยาทการอยู่ในโลกถ้าไม่เข้าใจโลกกระทำจะถูกโลกกระทําโลกกระทำคืออะไรเมื่อเราอยู่ในโลกคนทุกคนเจะเลีเ่ยงกฎพื้นฐานเหล่านี้ไม่พ้นหนึ่งมีลาบเสื่อมลาบ ม, มียศเสื่อมยศมีสัเนเสริญมีเล น, นทา มีสุขมีทุกข์คนทูกตายเนี่ยถ้ามีลาบเสื่อมลาบอย่าเพิ่งมาพูดเอาไว้ในวงเล็บไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นคือทําทําทําหลับตาข้างหนึ่งให้กับโลกกระทําด้านลบพอมีลาบปุ๊บโอโหเลิง้งอำ น, นาขึ้นมาเลยนะมองไม่เห็นหัวคนเลยต่อไปมียศพอมียศปุ๊บเนี่ยถนนกว้างสามวามาไม่ได้เดินไม่ได้ อันตรายมากปกติมันเคยเดินได้ลิฟเนี่ยเคยเข้าสบายปกติไปไหนมาไหนก็กดเองนี่พอเลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกปุ๊บทําไมมันไม่กดลิฟให้ฉัน <c oughs> ม, ม, มีมีมรเริ่มมีเยอะแล้วเริ่มริ่มีปัญหาเริ่มปลูกต้นกลา้านักปราดญตะวันตกทัานหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าคนเราเนี่ยยิ่งมีอำนาจแบกเสร็จยิ่งเลวแบกเวสร็จ มันเป็นจริงๆนะแต่ภาพเชื่ออย่างนั้นเขาลองดูไหมล่ะถ้าเยี่ยมหน้าแล้วเราจะเห็นชัดเขาบอกว่าคนบางคนเลยเอานารีมาลอกก็ไม่เปลี่ยนเอาเงินมาลอกก็ไม่เปลี่ยนเอาสุรามาลอกก็ไม่เปลี่ยนแต่พอเอาหน้ามาลอกนี่เปลี่ยนทั้งตัวเลยหัวใจเลยนี่ถึหมดร้อยแปดสิบองศาอันนี้แทบไม่ต้องยกตัวอย่างเลยมันเห็นชัดมากถ้ายกตัวอย่างเดี๋ยวพลาจะเดือดร้อน <c oughs> ที่ผู้แค้นนี้ก็เฉียดไปเฉียดมาแล้วอันนี้คือมียศแล้วมันเสื่อมยศนะขอให้รู้ด้วยว่ามันจะเสื่อมนะคือไม่มีใครอยู่ในตําแหน่งตลอดการสุดท้ายทุกคนต้องลงจากบันลังแห่งอํานาจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณขึ้นสู่ยอดเขาแล้วว่างๆให้ฝึกลงยอดเขานะอย่าคิกว่ามันจะอยู่ข้างบนตลอดฝึกลงยอดเขาเพื่อจะได้มีนทักษะให้ฝึกเอาไว้เรียนรู้เอาไว้ทําตัวเป็นคนสามัญบ้าง อย่างหลวงพ่อท่านหนึ่งไปประเทศออสไปประเทศห้ออสเตรเลียกับมาตั้แต่เมื่อใส่ปีอยู่ที่เมืองไทยท่านเป็นเจ้าคุณเวลาญาตโยมจะพูดกับหลวงพ่อต้องกราบนมัส ก, การพระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังแล้วชื่นใจไปที่โน่นฝรั่งไม่มีระเดชพระคุณเลยยุ่ยยุอย่างเด้ว ไม่มีเลยท่านบอกแม่มันมีหรือยู่จะมีหรือโกนธเนือนะไปรับอาหารเราเราเราไปฉานกันที่ร้านอาหารอยู่ที่เมืองไทยคนต้องแปลกเหนอย่างเดียวหรื ก, ก็ยี่อะไรนี่ใช้อำน้าเต็มที่ไปทีน่อนอร์ทเร์รังบอกทุกคนต้องเข้าคิวท่านไม่สนุกเลยท่านไปเห็นเข้าคิวต่อจากกัทำไมโว้ยโกรธ แล้วไปแต่งมาได้ภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องพราะถามบริจิตโนโอเคเ <c oughs> นี่ยท่านก็เห็นคุณค่าเลยนะกลับมาฉันจะริยนภาษาอังกฤษเนี่พอไปที่โนนคนทุกคนเนี่ยก็เลยว่าสูงสุดคืนถู่สามมันไม่มีศักดินาในต่างประเทศไม่มีไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าคุณไม่มีคนทุกคนคือสามพันชนทีนี้พอเราถอนว่าคนไม่เป็นเราเป็นคนเจ้ายเจ้อยอยาดังไปอย่างนั้นทุกทุกนะ แต่จะมาไปสิบสี่วันเนีมีความสุขมากไม่มีโทรศัพท์ไปกวนสบายเป็นช่วงที่ปลอดโปร่งมากก็ไปไปทําบุญก็เหมือนกับไปดูงานร้านอาหารไทยเพราะว่าญาติโยมรัาไหนที่รู้ว่าไปก็นิมนต์ร่วงหน้าแต่เราก็มารวมกันเป็นกลุ่มๆฟังธรรมตรมีมมสุขมากตลอดครึ่งเดือนแต่หลวงพ่อที่วางหัวขนไม่เป็นทุกเมื่เดินเข้าไปไม่ทักทันวอนไม่ทักเราอันนี้คือวาหัวขนไม่เป็น แล้วท่านได้บทเรียนตรงนี้ตลอดไปถึงสนามบินนะ่ะถ้าอยู่เมืองไทยนะ่ะตอนไปที่ดอนเมืองลุกเสร็จขับรถเบนซ์ไปตรงหารถไม่ละพอหลวงพ่อหลุดเข้าไปท ง, ถ, งถึงต่างประเทศแล้วเนี่ยหลงพ่อต้องห้า ก, กระเป๋าเองนี่แหละเขาเรียกวัดทอดหัวโขดทันทีเลยนะเพอยู่ข้างนอกเนี่ยท่านท่านก็กระเป๋าใบใหญ่ไงโปโลขนาดนี้พอหลุดไปตรงนั้นแล้วทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองต้องห้ากระเป๋า ท่านไม่สจบว่าอะไรท่านว่าไม่เป็นนี่นีัผมโขนเนี่ยหรือความมียศมีศักดิ์ของเราเราต้องรู้ว่าใช้เมื่อไหร่จึงผมควรนตระวันตเจ้าบอกว่าโจงใช้ยศในที่ที่คนเขาเห็นคุณค่าของยศคนเขาไม่เห็นคุณค่าของยศเนี่ยเราไปยิงไม่ได้รับรองว่าอดตายอันนี้เรื่องยศนี่ยเป็นเรื่องที่เย้ายวนคนมากที่สุดเปลี่ยนกันได้มากเพื่อนเราอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยพอได้ยศในตําแหน่งปุ๊บเนี่ย ชักไม่คุยด้วยล่ะมันมันคนละชั้นระดับชั้นนี่มัน u เป e r middle class มีเดิคขาหนี่ดีเลยเนี่ยนี่พอใส่อัปเปอร์เข้าไปนี่มันไม่ธรรมดาอันนี้คือปัญหาเรื่องมนุษย์มันจะเป็นอย่างนั้นอีโก้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ถ้าตามคุณมียศก็ให้รู้ว่ายศมันเสื่อมนะระวังเอาไว้ให้ปึกถอดยศถอดทั้งขนบ้างแล้วก็ต่อไปเนี่ยเอก็คือมีมีสันเสริญ เมื่อเรามีสัเนเสริญมันจะมีดินทาคู่กันแต่คนเนี่ยแตมนมาภาพไม่เคยถือว่าเป็นบรรณฐานเลยนะมีหนังสือเล่มหนึ่งวิจารณนะ์แตมนมภาพแรงมากธรรมะติดปีกไม่ควรจะเอาไปวางขายนะคนสัมภาษณ์เขาก็พูดแค่ห้าบรรทัดนะเอามาภาพหน้าปกเลยเพออยู่ไปอยู่ไปนะ่ยมีคนอ่านมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสเกิดกระแสธรรมะใครใครไม่อ่านธรรมะเรียกว่าตกเทรน อยากอ่านธรรมะอยากอยากอยากโอกระแสเนี่ยต้องอ่านธรรมะให้มันดินเป็นถ้าเกิดว่าก้อหนังสือเล่มเดียวกันนะ่าตามมาสัมภาษณ์ใหม่เป็นสิบหน้าแล้วตอนนี้เชิญไปเปนะ็นนักเขียนกิตติมศักดทุกทุกครั้งได้เขียนบทความเอารูปลงด้วยเขาก็ <c oughs> มไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยอาจามาเห็นนะเพรปากกาที่ยกย่องคุณกับปากกาที่เล็งทาคุณบางครั้งปากกาเล่นเดียวกัน ปากของคนคนเดียวกันที่ชมเราพร้อมที่จะเป็นปากเดียวกันที่ตําหนิเราเพราะฉะนั้นเรื่องสันติวันเรื่องนินทานะอย่าถือเป็นบรรทาัานคนโบราณเขาบอกว่าอย่าถือเอาเป็นนิยายเเลยนี่คือมันไม่จริงเลยนะเพราเขาอยากจะท้าให้เราเขาจะชมแหมวันนี้ไม่มีอะไรชมเขาก็อบอกว่าแต่งตัวดีที่มันจะหาเรื่องชมจนได้นะเพราแต่งตัวไม่ดีบอกว่าวันนี้หน้าตาดี พอหน้าตาไม่ดีมันบอกวันนี้วันนี้สรงผวใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันจะหาเรื่องไปเรื่อยๆนะจีบเรื่อนะว่าใครก็ตามที่เริ่มเริ่มเริ่มป้อนลูกยอให้เราให้ระวังคุณจงต้องระวังเลยนะลูกยอในมนันอันตรายคุณจงคงจะเคยเห็นยอเวลาเขาเข า, เขาดักปลาใช่นะมเวลาเ้าดักปลาเนี่ยเขาเจอดักยอไหมปลาบางตัวมันก็นึกว่าโอ๊ยพอเขายกยอขึ้นมาปลามันเจอโอ้ยชิ้นชาชาลีนุ่ <laughs> มันเนื่อรู้ว่าเขาจะชินมันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขากําลังยกคุณนะให้เตือนตัวเองนะว่าเป็นปลาอยู่ในยอรหรือเปล่าเวลาเขาผลักคุณออกไปข้างหน้าเนี่ยคุณระวังให้ดีนะมีลูกปืนสวนมาไหมบางคนบอกอุ้ยเขาไว้ใจเรากลืมหารู้ไม่ว่า ง, งานนี้เจ้าไหนในกลาเรียมส่งลูกน้องไปลูกน้องก็จะลํำบากเพราะฉะนั้นเรื่องสันเส ร, ริญก็ดีเรื่องหมินหา ก, ก็ดีเป็นธรรมดาริสุดของโลกเลยอย่าไปกลัว คนหนึ่งซึ่งน่าเห็นใจสภาพติดตามเราก็เห็นคุณยังไม่รู้จักจังพาทานะ่ะเขาเป็นคนที่มีมีปัญหาเรื่องส่วนเสริมเรงเงินทามากสุดท้ายแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเขานั่นก็มีคนไปว่าเขาเพลงอะไที่ดังอยู่ที่อินเดียนะเพลง ต, ตุ้มตุ้มอะไรนะเล่น <c oughs> <c oughs> ไหมผู้ดโด่งดังมากอ่าคือไม่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาคนไทยก็เกลดมาเหมืกัน แต่ประเด็นนี้เขาร้องเพลงดีไม่มีวิจารณนะแล่ส่วนตัวเขามีเก็บมาีิจารณ์เไม่มองเราลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเขาเน่ยถู้คนเปรียดขนาดตั้งชมรมคนเปรียดทาราได้ดูว่าคุณทนได้ไหมประกาศว่าจะเป็นสาวน้อยมหาสุจันโง่เจอต้องมีคนด่าคนที่ภาษาอะไรว่าทําไม่สําเร็จแต่คนคนนี้นิ่งตลอดนะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาทําในสิ่งที่เขาฝันและหลายคนไม่เชื่อ ว, ว่าเด็กคนนี้จะทําได้ สุดท้ายเดี๋ยวที่คนที่เคยเปลี่ยดเขากลับมาเป็นแนวร่วมเพราะไม่รู้ว่าตาหนิไปมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาไปเกินกว่าที่เราจะฉุดเข้าไว้แล้วไนงะเพราะเป็นปิงปองคือเรายิ่งกดมันก็ยิ่งผอมันไม่มีทางอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มันเป็นดาวเรื่องในตัวเองนะคนทุกคนจะต้องเจอกับพายุ ข, ของคำสรรเสริญและข้อเ็นพายุดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นโลกธรรมนะคือธรรมดาของโลกไม่มีใครพ้นหรอกเราต้องเจอ ดังนั้นเมื่อมั น, ม, นมันเป็นคลื่นเข้ามาหาเราเราต้องเรียนรู้ที่จะโต้ขึ้นอย่าให้คลื่นผ่านนะเราต้องเป็นนักเวิเร์กเติ้ลโตขึ้นชีวิตต้องโต้ให้เป็นนะบางทีคลื่นนินทามาเนี่ยมันโต้ไม่เป็นอูยออกวงการไปเลยโดินถนนไม่ได้หารู้ไม่ว่าแค่คนหายไปสามวันชาวบ้านก็จําไม่ได้แล้วแต่คุณจําไปทั้งชีวิตอายไปทั้งชีวิตไงบางคนข้าโดวตายก็มีเพราะอะไรเพราะคิดว่าสังคมคงไม่ให้อภยัย หารู้ไม่ไหวคําคว่าสังคมนี้ไม่เคยมีตัวตนนะแต่เราเกรงกันมากเลยสังคมจริงๆมันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสนเสริญก็ดีเกิดเนรทาขึ้นก็ดีพึ้นขอให้รู้ว่าคนที่ได้รับแต่สนเสริญอย่างเดียวไม่มีในโลกคนที่ถูกเนรทาอย่างเดียวไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้คําหนึ่งดีมากท่านบอกว่านตทีโลเกอเนนทิโตนตทีโลเกนินนทิโตแปล ว, ว่า ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินพาแม้แต่พระพุทธเจ้าเราถือกันว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งนะพระอาจารย์ฝรั่งเขาเรียกพระพุทธเจ้าว่า the perfect one แต่ว่าอะไรคนที่สมบูรณ์ที่สุดแต่คนเดิมเช่มนั้นคนที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถูกกล่าวหาว่าไปมีสัมพันธ์ประวัติกับสีกาคนหนึ่งถึงขนาดกลายเป็นตำนานเขียนตามฝาผนังโบสถ์ที่นางจินจ่ามานาัวิกาไปกล่าวหาพระพุทธเจ้า เรื่องนี้เป็นข่าวอเเึ้งชาอยู่ตั้งเก้าเดือนทำไมนั้นมันยังไม่มีซีนเด่นถ้ามันมีจะขนาดไหนคือพูดอย่างนเลยขาพระพุทธเจ้าร้องไห้เลยพระอานนุนสงสารพระพุทธเจ้าที่ถูกกล่าวหายอย่างนั้น <c oughs> คิดดูว่าคนสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ทนเล่นหาแล้วเรามาเัเที่เราที่ว่าโอ้โหเราตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยมันจะรอดไปได้ยังไงจากเที่ยวเล็กของคำเล่นหาใช่ไหมเราเห็นเห็นปะิจจธรรมของชีวิตหรอมันธรรมดา พอมีเมตินทานมีเสด็จปุ๊บก็ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปอยนะไรนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสุขทุกข์สุขนี้มาคู่กับทุกนะก็ให้นึกอยู่สเสมอว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีสุขเดี๋ยวเมวื่อทุกมันก็มาคุณลองหยิบไม้เท้าขึ้นมาเชื่อไหมว่าไม้เท้าถ้าด้านนี้เป็นโคนด้านนั้นก็เป็นปลายเรหยิบเส้นปลายขึ้นมาโคนมันติดมาใช่ไหมเอาเราหยิบแก้วขึ้นมาใบหนึ่ง อันนี้มันเป็นก้นแก้ว <c oughs> แล้วนี้มันเป็นตากแก้วเมื่อเราหยิบตรงตากแก้วขึ้นมาต้นแก้วมันก็ติดมาเมื่อเราหยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋ากระตังของเราเราเอาด้านหัวมามองด้านก้อยมันก็ติดมาเอามือของเราขึ้นมามองเรามอ ง, เ ร, มองเรามองตรงนี้หลังมือมันก็ตามมานี่สุขกต่ทุกข์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสุขนะอย่าประมาททันทีที่คุณสุ ข, ขขอให้รู้ว่าทุกข์มันรอเสียบอยู่แล้ว ทุกมากเดี๋ยวทุกมากโอ้โหในที่สุดก็เจอแล้วคนซึ่งหามาทั้งชีวิตคุยกับใครต่อใครเขาไปทั่วคนคนนี้เนี่ผมเจอแล้วผมไม่ไม่มีทางปฏิเสธเธอได้เลย <c oughs> สุขมากพอผิดหวังนะทุกมากเขาบอกความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นปฏิภาคกบขันร่กันและกัน ถ้ามันทําให้คนสุขได้มากมันก็ทําให้คุณทุกข์ได้มากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันทําให้ทุกข์มากขอให้ถือว่ามันจะสุขมากโอ้ยกว่าจะนานอยู่ที่โรคาเดโรดทามได้สัมภาษณ์หลายดานเหลือเกินคําจะนิ่กกว่าคันขัมจุธิอีกแต่พอเข้ามาอยู่ได้โอ้โหเจ้านายใจดีขนาดนี้นแล้วก็รู้ว่าเป็นองค์ในฝันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกๆความลําบากเนี่ย มันก็มีภาษีที่คุ้มต่อการที่จะเสี่ยงเช่นเดียวกันกับทุกๆความสุขก็ขอให้รเรามาระวังว่าถ้ามันแปลเป็นความทุกข์มันจะร้ายหนักหนกสาหาัส ท, ทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นเหรียญสองด้านของอะไรของเหรียญแห่งชีวิตอันเดียวกันสุขทุกข์คือด้านทั้งสองของเหรียญชีวิตอันเดียวกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้เรานึกถึงตรงนี้อันนี้เลยเรียกว่าโลกธรรมคือกฎกติกรรมามารยะทของการใช้ชีวิตมีล่ามก็จะเสี่อมล่าม ระวังไว้อย่าประมาทมียศก็จะเสี่ยมยศระวังไว้จะได้เหลืองมีสเสน่หก็จะมีนินทาระวังไว้จะได้ไม่ปูขึ้นและแฟบลงแล้วก็มีสุขก็มีทุกข์ก็เตือนเตังเอาไว้เสมอว่าของมันมาคู่กันเมื่อมันเกิดขึ้นเรารับมือทันแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นนักโต้ขึ้นชีวิตที่มีความสุขมากๆแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันสิ่งนี้นะพอมีลาบปุ๊บ โอ้โหอย่างสามล้อบางคนพี่ถูกหัวนี่นี่เป็นความจริงถูกสามิห้าล้านอะ่ะอีกหกปีหนคืงทีมลงข่าวกลับไปขาดสามล้อเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่แสนมหาศารร์ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันเกิดแล้วในบได้ไทยหรืออีกคนหนึ่งซึ่งถูกหวยเมื่อต้นสีที่แล้วใช่ไหมที่ถูกหวยของรัฐบาลแล้วได้เงินสิบกว่าล้านและอีกอันที่จะมามีข่าวว่าค่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สําเร็จทําทําไมเขาตอบว่าที่ผมต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าญาติมาของเงินแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไง <c oughs> คุณเรีนเห็อนไหมอย่างเนี้ยเขาไม่เรียนรู้การโตขึ้นชีวิตพอมันขึ้นสูงปุ๊บทาอะไรไม่ถูกเลยพอลงต่ําปั๊บก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันชีวิตมันจะรุ่มรุมนอนนอนเส้นกราฟชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเส้นกราฟของชีวิตเหมือนตัว d o u b ตัว d o เนี่ย มองให้ดีมันมีธรรมะนะเป็นอย่างนี้ี่ยมันมันจะลงอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นนะขึ้นแล้วมันจะลงอีกนะพอลงอีกมันจะขึ้นอีกอันนี้ยคือชีวิตก็ให้จําตัวนี้ไว้แล้วเราจะเห็นทรับบางคนก็อยากให้มันเป็นเอเอเดยไม่พอบวกด้วยขึ้นดีอยู่แล้วก็อยากให้มันตลอดนั่นหนึ่งพวกไม่เข้าใจโลกถ้าเข้าใจโลกเจนเนาะมันก็เป็นตมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้เรา เขาใจกฎกติกามารยาทของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอารมณ์ดีมีความสุขเพ่อไะรเกิอะไรขึ้นก็รู้เท่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันไม่โยกไม่คลอนสบายสบายเหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอัตมภาพรู้จักวันหนึ่งมีคณะลูกเสดลูกหาไปเยี่ยมท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์มีลูกเส์ลูกหาไปเยี่ยมท่านอายุแค่หกสิบกว่าแต่ คุณโยมคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมนั้นไม่เคยรู้จักท่านเห็นท่านผมสีดอกเราก็ทักก่อนเลยอาจารย์ปีนี้เจ็ดสิบเท่าไรแล้วจริงๆท่านอายุหกสิบห้าแต่คนทักเนี่ยตั้งให้เจ็ดสิบขึ้นนะคนตอบเป็นคนอารมณ์ดีเพราะอยู่ในธรรมะเขาถามว่าเจ็ดสิบเท่าไรแล้วเนี่ยคนตอบก็บอกว่าอุย้ยปีนี้เจ็ดสิบห้ารับมุงเลยอันนี้คือทำไมมองว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะไม่โกรธ นอกจากไม่โกรธแล้วก็ทําให้เรื่องนั้นคืนนันไปดังนั้นถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจธรรมอย่างที่อาจารมาภาพดูดคุณยมจะอยู่ที่ไหนคุณยมจะเหมือนคนที่โลอยู่บนยอดขึ้นมันมีความสุขเป็นพระก็เป็นพระที่มีความสุขเป็นการบริหารก็เป็นคารบริหารที่มีความสุขเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารที่มีความสุขเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่มีความสุขเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูคือปาก ง, งูมันเต็มไปด้วยพิษแต่พิษนั้นมันไม่เคยทําร้ายเรา ถ้าคุณโยมเข้าใจทั้งทั้งเก้าข้อที่ว่ามานี้เมื่อไหร่อาจจะพูดาเราเประสบความสําเร็จในฐานะคนทํางานและสําคัญที่สุดประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะเรารู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรม ท, ทีนี้จะสรุปว่าอารมณ์ดีเพรามีความสุขประกอบด้วยคุณนะสมบัติอะไรบ้างหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิสองดำริถูกทางสามวางตนเหมาะสมสี่ชื่นชมคนอื่น และห้ไม่ฝืนสังขารหกทำงานสุดจริตเจ็ดฝึกติดให้สูงแปดไม่ปรุงความคิดเก้าไม่ยึดติดโลกธรรมทั้งเก้าข้อในี้ใครเข้าใจแล้วตีประเด็นให้แตกรับรองแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะท้อออกมาให้เห็นชัดเหมือนดอกไม้ที่เย้มบานเพราะว่ามันได้รับน้ำแล้วรากมันชุ่มชื่นมีอาหารสิ่งนี้ก็คืออารมณ์ดี อารมณ์ดีเพราะมีความสุดความสุขนี้จะเป็นรากฐานให้อารมณ์ดีนี่แต่ทั้งอารมณ์ดีทั้งความสุขมันยังเป็นผลมันจะเกิดภาวะสองอย่างนี้ได้ก็ต้องมีเหตุและเหตุคืออะไรเหตุก็คือทั้งเก้าข้อที่อาจารยภาพกล่าวมาทั้งหมดอันนี้ก็หวังว่าคุณโยมจะลองเอาไปปรับไปประยุกต์ใช้ดองทีนี้เราก็เลยประเด็นสุดท้ายซึ่งมันจะยังไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฝุดก็คือเรื่องการฝึกติดก่อนที่เราจะฝึกติด ธรรมาก็จะเปิดให้ให้คุณโยมที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยได้มีส่วนในการร่วมเสวนาธรรมจากนี้ก็เจริญพรคุณโยมทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันใครมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ขอเจริญพร ถ้ามีประเด็นสงสัยก็ถามนะสารภาพตอบได้หมดไหมจิงฟันยันเดือรบแต่ถูกไม่ถูกนี่ไม่รับประกันคือถ้าให้ตอบตอบหมดเลยนะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้กระทำ การทําบุญแล้วเหมือนเราขอขอประโยชน์อบกลมาเนี้ยคือทํ า, า <barrier> ท บ, บุญแล้วควรอธิษฐานไหมประมาณนั้นนะจ ร, จริงๆแล้วเนี่ยการทรํา บ, บุญมันมีระดับสิ่งหนึ่งซึ่งเรามองข้ามแล้วก็สอนการอิติตในสังคมไทยก็คือเราบอกกันว่าเวลาทํา บ, บุญอย่าขอแต่เราไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงการที่ใครคนใดคนห น, น, นึน่งเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเขามาจากการตั้งจิตอธิษฐาน พระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านเคยเป็นพระโพธิสัตวันหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านทำหนทางถวายไม่ทันท่านจึงนอนนอนลงกับพื้นและให้พระพุทธเจ้าเทปังกรเนี่ยสเสด็จ ด, ดําเนินผ่านบนหลั ง, งท่านเรียกว่าถวายหลังเป็นสะพานพอพระพุทธเจ้าสเสด็จ ด, ดําเนินผ่านท่านก็ลุกขึ้นและตั้งจิตอธิษฐานว่าในอนาคตการชาติใดก็ตามขอให้หม่อมฉันได้เป็นพระพุทธเจ้าเ ช, เช่นเดียวกับพระองค์บ้างด้วยคํำอธิษฐานตรงนั้น ทำให้ท่านปักจิตปักใจเขาเรียกว่าตั้งโปรแกรมเสียแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างที่มุ่งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้าในสัตว์เท็จนึ่เรียกว่าโคธิสัตว์โคธิแปลว่าตัดสรู้สัตว์ตวะนี้ยแปลว่าผู้เกี่ยวข้องโพธิสัตว์ตว่าหรือโคธิสัตว์แปลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัสรู้หรือผู้ที่ฝึกจิตปักใจว่าจะตัดสรู้ในวันใดวันห น, นึ่งการที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านอะไรเพราะท่านอธิฐานปักจิตปักใจเอาไว้ หรืออย่างพระสาวีบทการที่ท่านจะเป็นพระสาวกที่มีปัญญาเลิศที่สุดในพระพุทธศาสนาก็เพราะอะไรวันหนึ่งท่านไปทําบุญแล้วเห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านมีปัญญาเป็นเอกท่านก็บอกอี ه, ทาไมเราจะได้รับการแต่งตั้งอย่างนั้นบ้างก็ทําบุญนี่มนพระพุทธเจ้ามาสเสวยแล้วก็เลียาาเล้ยงพระทหารพอเลี้ยงพระทหารเสร็จ ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดในชาติใดก็ตามขอให้ข้าพระองค์นั้นได้เป็นอัครสาวกผู้มีปัญญาเ ช, เช่นเดียวกับสาวกของพระองค์บ้างก็ด้วยแรงอธิษฐานเช่นนี้ทําให้มาเกิดเป็นพระอัครสาวกที่มีปัญญามากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณโยมจะเห็นว่าที่เราได้นั่นได้นี่มาเพราะเราอธิษฐานนะแต่มันไม่ได้อธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานแล้วเราจะต้องทําด้วยแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราสอนกันว่าทําอะไรเนระือ่องขออยากอธิษฐาน ปรากฏว่าเหมือนกัเรามีข้าวเปลือกอยู่ซึ่งมันมีศักยภาพที่จะงอกแล้วเอาไปหว่านบนพื้นสีเหมนตนไม่ต้องงานที่ฐานทําไปถามว่าข้าวเปลือกมันจะงอกไหมมันไม่งอกอะทําทโดยไม่หวังผลเพราะฉะนั้นคุณหวังผลได้ถ้าตรบจจาบใดก็่ทำผลนั้นเป็นผลในทางสุจริตแล้วถ้าสูงกว่านั้นอาจจะทําโดยไม่หวังผลก็ได้ก็เรียกว่าทําเพื่อสละทําเพื่อผลิตให้สูง หนึ่งถ้าทำบุญเนี่ยหวังผลก็ได้แต่ขอให้ผลนั้นเป็นไปใ น, นทางที่ถูกด้วยการอธิษฐานให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและสองถ้าทำเพื่อต้องการฝึกใจให้สูงก็ทำเหตุอย่างเดียวไม่ต้องอธิษฐานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเหตุมันถูกต้องแล้วผลมันเกิดเองเหมือนเราถั่วเขียวไปพ้อเนี่ยเราอยากให้มันเป็นถั่วงอกไหมไม่ต้องอธิษฐานถ้าเหตุปัจเจัยมันจะงอกมันก็งอกไม่ว่าหลวงพี่เท่งจะพูดหรือไม่พูดมันงอก จะมาช่วย อ, อย่างนั้นนะเอาคุณดอกบัวไปแช่น้ําเนี่ยตอนที่คุณซื้อมามันตูมใช่ไหมเอาไปแช่ใส่ในใ้ำแช่กันเอาเช้านี้มาดูมันบานทําไมมันบานฉันไม่ได้ขอซะหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะให้บานมันมีเงื่อนไขที่จะให้บานมันก็บานเหมือนเรานั่งรับประทานอาหารเรารับประทานเราก็ทานไปทานไปเราต้องอธิษฐานไหมว่าเออีอ่สักครู่ใหญ่ๆเนี่ยขอให้ฉันอิ่ม ไม่ต้องใช่ไหม mm hmm. คือถ้ามันมีเงื่อนไขที่จะใหม้มันก็อิ่เช่นเดียวกันเมื่อเราทําบุญถ้าเราทําถูกที่ถูกทางถูกหลักวิจิตแล้วเธอไม่ต้องอธิฐานอะไรเลยผลมันเกิดโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติดังนั้นโดยสรุปต่อคําถามนี้คือหนึ่งถ้าจะอธิฐานก็ได้สองถ้าไม่อยากจะอธิฐานก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทําเหตุถูกแล้วผลมันดีท่านเรียกว่าทําเหตุ ด, ดีแล้วไม่ต้องง อ, อนวอนผลเกิดเองอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีคุณโยมจะได้เข้าใจกันด้วยนะ เพราะว่าคนไทยเข้าใจผิดกันเยอะมากมแล้วท่านอื่นมีม้ไหมถามเรื่องเกี่ยวกับการไตรบาสนะคะฟังมาหลายหลายคนว่าไต่บาตต้องกรวดน้ำํำคืงจะถึงกับคนที่เราอธิษฐานนไหมคะคือจริงๆการกรวดน้ําเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการตัดใจให้แต่ถ้าเราตัดใจให้แล้วเนี่ยไม่กรวดน้ําก็ได้เช่นเดียวกัน ทำไมเราจรึงกวดน้ำก็เพราะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพินพิสารถวายสวนหรือถวายพระราชอุทยานของพระองค์ที่ชื่อเวโรวันเนี่ยเป็นวันแห่งแรกในพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อถวายไปแล้วพระองค์ทรงลืมอุทิตส่วนกุศลปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยพระญาติของพระองค์จึงในหลายภพหลายชาติเนี่ยทาบาปเอาไว้ไปเกิดเป็นแปรเขาก็หวังนักหวังหนาว่าวันนี้ พระญาตของเราซึ่งมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมิสารทําบุญใหญ่เจ้าทิศส่วนบุญให้แต่พระเจ้าพิมิสารทําบุญแล้วเลื่มูทิตเปรตเหล่านั้นก็เลยมารบกวนด้วยการมาร้องร้องให้เสียงน่ากลัวพระเจ้าพิมิสารนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรที่ได้ยินเสียงเมื่อคือนะเป็นเสียงเปรตซึ่งเคยเป็นแม่ของพระองค์เข้ามาขอส่วนบุญพระเจ้าพิมิสารรู้เช่นนี้จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าทําบุญเลี้ยงพระใหม่แล้ว ตั้งใจหลังน้ำทักนิโนโทกก็คือน้ำสำหรับขวดแต่พระมหาสกษสัตรเราเรียกว่าน้ำทักนิโนโทกก็หลั่งลงดินในลักษณะว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าของที่ฉันถวายไปในวันนี้บุญใดๆก็ตามเกิดไมขึ้นฉันยกให้เปรตทั้งหลายซึ่งเคยเป็นญาติของฉันเราอาศัยจริยาตรงเนี้ย <c oughs> มาถือว่าเวลาทำบุญต้องกรวดน้ำเราไปทำตามเจ้าท่านซึ่งจริงๆเราไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ คือเวลาเราให้ไปแล้วเนี่ยถ้าใจมันให้มันก็ให้เลยเพราะสิ่งที่จะถึงเนี่ยมันไม่ใช่น้ำถึงนะคือใจเราถึงเจตนาเราถึงใช่ไหมหรือเวลาเราแม่บอกรักลูกนะ <c oughs> อบกอนลูกไปส่งลูกไปมังนอกอบกอนแม่ไม่ได้พูดเสาะคาว่าแม่รักลูกนะแต่ลูกรู้ไหมถ้าใจมันถึงเนี่ยมันรู้นะไม่จำเป็นต้องพูดแต่ถ้า เป็นหนังไทยหรือละครนาเน้าไทยเนี่ไยไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้นางเอกกลับออกมาจากข้างนอกนั่งลกมนเตียงนอนแผ่ยังบอกคนดูอีกว่าเหนื่อยจัง่อยจริงจริงไม่ต้องบอกเขาก็รู้ <c oughs> ใช่ไหมแต่อย่างนี้ฮอลลีวูดไม่ได้พนางเอกเป็นแจวเนี่ยเอาไม้กวาดมากวาดบ้านอันมาบอกคนดูทําความสะอาดซะหน่อยเธอไม่ต้องพูดหรอกอันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราทําบนเนี่ย ถ้าใจเราตั้งใจอุทิศไปแล้วจิตมันถึงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวน้ําก็ได้แต่เพื่อความแน่นอนและเพื่อความมั่นใจกวนน้ําด้วยก็ดีมากเพราะอะไรคือเมื่อเรากวนน้าจิตของเราจะรวมกันเป็นสมาธิผ่านกระแสน้นําการอุทิศของเราก็จะมีพลังแรงโดยสรุป ก, ก็คือถ้าถ้ามีน้ําก็ขอให้กวนน้าด้วยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไนเรเข้าใจมันถึงแล้วเพิ่มเนิด น, นึงก็คือว่าเวลาทําบุนใหญ่เนี่ย จำเป็นไหมว่าต้องให้คนที่อยู่นน่นตรวจน้ําแล้วที่เหลือเนี่ยเราชาร์จแบตกันหรือชาร์จบุญกันแต่บ้านเอวกันทํายังไงว่าส่วนบนมันจะไหลมันจําเป็นไหมแต่พระบอกว่ามันไม่จําเป็นแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่เสียนะใช่ไหมมันก็ไม่เสียนะแล้วบางคนคอยมานานแล้ววันนี้จะได้แตะเนี่ย ก็ได้แต่เจ้านายอถ้าทาให้รักกันก็ไม่เป็นไรถือเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักแต่บางคนไม่ได้แตะไม่ได้นะโกรธเลยนะเร็วๆวเป็นี่ยซึ่งอาจารย์ไปเห็นแล้วอาจารย์มันสะเทือนใจพระบางทีพ่อแม่ลูกโกรธกันนะเร็วๆมาแตะนี่พระทั้งใจลูกก็มาไม่ทันบางทีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่มีเหตุผลเนี่ยทําให้คนร้่นใหม่เซง เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เซ็งพาะกัะพาะง่าคือบางอย่างมันอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งนี่ย ม, ม, มันไม่ได้มันไม่ได้งงง่ายเพราะพระพุทธศาสนานะแต่เพราะว่าเราถือ ต, ตามๆกันมาอันนี้เป็นความรู้เสียมว่าฝากคนไปประเด็นอื่นมีไหมก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราปฏิบัตินะค่ะจากที่ท่านเทศน์มาทั้งสอ คือถ้าทุกคนเนี่ยคิดได้ทำได้นะค ะ, คะแล้วก็มีส ต, ติตามได้ทุกคำเทศของท่านเนี่ยนั่นก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขมากนะคะในในการทางานเพราะว่าท้องของบริษัทเราทีดเาทเนี่ยเราจะมีนโยบายว่าอยากให้นาทุกคนที่นี่นะค ะ, ะที่สำงานที่นคือหนึ่งรู้สึกเป็นมีคุณค่าสองรู้สึกวความมั่นคงบริษัทนีมีควา ม, มั่น แล้วก็อ่านสุดท้ายประการสุท้ายเนี่ยขยะทุกคนมีควาสุขนะคะทีนี้เนี่ยคื อ, อความที่ได้เคยได้กล่รวไปแล้วว่าจรงจริงงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาค่ะปะัญหายูีคนทำงานนะคะา น, ะะนะะั้นจากผลที่ท่านพิเศไปละครก่อนกับวันนี้9้าข้ อ, ขอที่ท่านพิศมานะคะยิ่เฉพาะข้อที่สามลงมาเนี่ยนะคะคือการว่างให้เหมาะสมการปรุงแต่งหรือภัยที่มาตาม การรับรู้ทั้งห้ารือหัวใจทั้งอะไต่างๆ น, นะจ๊ะวะมันก็จะมีการปะกลกันอยู่ในคนทำงานร่วมกันนะจะสิ่งที่ท่าน เ, เทศมานี่พวกเราคก็คิดว่าคงจะสามารถแต่ฐานควบคุมได้ถ้าเกิดเราทารําทําานเพื่อให้เกิดสตินะ่ว่านั่นแหละเจ้าค่ะคือมนุษย์คนกรุงธรรมดาๆรรอย่างเงี้ยโอกาสรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย ที่จะทำหรือว่าที่จะกําหนดให้เป็นแน่แน่ชัยก็จะยากก็เลยอยากจะขอมือนกับเป็นคาถาเนี่นะคะหรือว่าเป็นเพชรล้ำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าในในการทํางานนี่มีบุคคลที่ส่วนใหญ่มากๆเลยที่ทุ่มเทค่ะกำลังใจกําลังกายกำลังสมองในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะขณเดีวยวกันเนี่ยนะ ก, ยกอ็อาจจะถูกแปลงไคว่ด้วย สิ่งต่างๆหรือว่านะคะค่ะสิ่งต่างๆที่ท่านเทศมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรเสริญยิงทาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านท่านจะมีเพดลับยังไงเนี่ยสร้างบึคุ้มกันหรือว่าสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของคนที่เขามีเจต น, นาดีแล้วก็มีการทํางานดีอย่าให้อมันก็จะเป็นน้ําดีอย่าให้น้ําเน่าที่มันอยู่รอบๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย มามามาทำสิ่ดีๆของเราเนี่ยให้ให้ให้ไม่ดีตามไปไหมครับคือคุณยมอยากให้ให้สรุปให้ครอบคมเจ้าค่ะพูดง่ายๆว่าเมื่อกี้เราเราพูดมาเนี่ยเราลงในรายละเอียดทีนี้อยากได้ทํามะที่มันเป็นแคปซูลเอาสั้นๆง่ายๆเลยไม่เดาสกุลทุกคนได้เป็นแคปซูลคือคือคือใช้ได้เลยใช้ได้เลย เือพอลงคอไปแล้วหน้าชื้นสมนาครับอยากจะเรอหลบสั้นๆมาทั้งหลายทั้งปวงนะมันถ้าเราจะใช้ให้ได้ผลมันมีหลักอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าให้รู้จักต่อยอดจากสิ่งที่เราฟังสองให้รู้จักการสร้างสติต่อยอดจากสิ่งที่เราฟังถ้าหมายความว่าถ้าเราได้เรียนได้ฟังธรรมะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีขอให้เอากิจกรรมเนี้ยเพิ่มต่อไปได้เลยเหมือนเราจะขายของแล้วเราจะยิงโฆษณาถี่มาก เพื่ออะไรเพื่อตอบจังไม่คนเขารู้จักเมื่อเราเห็นคุณค่าขงธรรมะเราจะต้องต่อยอดมันเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันชินกับธรรมะเมื่อมันชินเราก็จะเห็นว่าเรามีภูมิคุ้มกันธรรมะเหมือนกับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษามาเป็นอย่างดีไปเจอว่าหลังที่ไหนมันก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีภูมิคุ้มกันแล้วสําหรับคนต่างชาติถ้าเราฝึกธรรมะตลอดด้วยการฟังการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราจะเจอความทุกข์ในรูปแบบไหนก็ตามมันไม่กระเทือนมันกระทบแต่มันไม่กระเทือน พอมันไม่กระทืนมันก็ไม่กระทําพอไม่กระทํามันก็ไม่กระแทกอันเนี้ยเราก็ฝึกเอาฟังบ่อยๆต่อยอดมันไปเรื่อยๆกันนี่มันพระมาก็ได้ด้วยการศึกษาก็ได้เรื่อการสอบถามก็ได้ด้วยกันค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้ <c oughs> พูดอย่างนี้าสร้างสภาพแวดล้อมให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้นอย่ารังเกียจ ว, ว่าธรรมะเป็นของพระธรรมะคือธรรมชาติคือศิลปศาสในการดำเนินชีวิตซึ่งมีอยู่ก่อนกว่าพระพุทธเจ้า คนของโลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อไหนจะตายเป็นต้นเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะหันมาหาพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จ <c oughs> ในโลกของการดําเนินชีวิตในโลกของการทํางานในโลกของวัตถุไปถึงระดับหนึ่งมันถึงเหมือนคนที่ว่ายนะ้ํากระโดดลงฟากนี้แล้วว่ายไปถึงขอบสาด้านโน้นแล้วคนพบความว่างเปล่าพอไปถึงฟางด้านโน้นเขาจะว่ากลับมา ห, าหาโลกของจิตวิญญาณคือธรรมะนี่คือความสัตย์ความจริงมากๆ เช่นถ้าคุณมีบ้านคุณก็มีแล้วมีรถคุณก็มีแล้วมีชื่อเสียงคุณก็มีแล้วแต่วันหนึ่งคุณมีความทุกข์ทะเลาะ ก, กับสามีทะเลาะ ก, กับลูกบ้านมันก็เป็นบ้านต่อไปนั่งจริงผนังผนังก็ปลอบเราไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนอนราคาเป็นแสนมันก็ปลอบเราไม่ได้พอ ม, มีรถหรูๆขี่มันก็จอดอยู่ในโรงรถโน่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโลกของวัตถุถึงที่สุดแล้วจะช่วยเราไม่ได้เลยแต่ธรรมานีชช่วยช่วยได้มาก ดังนั้นให้รู้จักต่อยอดธรรมะด้วยการจัดกิจกรรมนี้ต่อไปหรื อ, อยังไงก็ได้ให้คนเราได้ใกล้ทิธรรมะแล้วต่อไปก็คือว่าเมืม่อเราเจะสภาพเวล้อมให้มันใกล้ชิดธรรมะแล้วต้องลงลึกหมายความว่าเรารดน้ำข้างบนตัวที่จะทาให้ชุ่มชื่นจริงๆมันไม่ใช่ข้างบนนะแต่คือรากเรารถข้างบนแต่ว่ามันชุ่มเย็นรากแล้วมันปริมาณข้างบน คนทั่ปไปจะเห็น่าเออเราลดน้ำข้างบนเนี่ยมันเปงเขียวกระจจริงๆไม่ใช่หรอข้างบนเนี่ยแทบไม่เกี่ยวอะไรเลยมันก็รับสัมผัสไปอย่างนั้นแหละตัวที่จะทําให้ชุ่มให้เย็นให้สดชื่นจริงๆมันคือรากของมันมันมั น, มนซึมซับปุ๋ยซึมซับน้ําเซ็มซับอาหารแล้วก็ปรุงแต่งสังเคราะห์มามันหล่อเลี้ยงข้างบนเราอย่างถึงที่สุดก็คือว่ามันต้องฝึกสติโดยการทําสมาธิคือคื อ, คอทําสมาธิเพื่อฝึกสติ ทีนี้การทำสมาธิก็เช่นเดียวกันก็ อ, อย่าไปคิดว่าเอ้มันเป็นกุศนให้มองกว้างๆเลยว่าไม่ใช่พุทธคริอิสลามสมาธิเนี่ยก็เป็นของธรรมชาติพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปูรานะมักหมายความว่าสิ่งที่ฉันค้นพบนี้เป็นทางดําเนินสายเก่าซึ่งใครๆก็เจอมาแล้วไม่ว่าฉันจะตะัดสรู้หรือไม่ตสัสรู้พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วดังนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างมาซาโนโบฟูโกะนักวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทําวิจัย เกี่ยวกับมดเกี่ยวกับมแมลงมาทั้งชีวิตวันหนึ่งจตุรุในห้องแหละไม่ได้นั่งทําตสมาที่นะพอจตุรุในห้องแหละปุ๊บลาออกเลยแล้วกลับไปที่บ้านไปทําเกษตรผสมผสานจนกระทั่งมันมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาใส่เสื้อแบบญี่ปุ่นนะเดินอยู่นิวยอร์กถึงกังตึงต่งึ้งซึ่งกล้องนิวยอร์กไปหมดฝรดั่งโดนตามเป็นประวัอันนี้คนนี้เข้าถึงจะจะทําแล้วเนี่ยไม่มีเชย แล้วทำได้ยังไงก็คือฝึกสติฝึกสมาธิไปบางครั้งนม่จำเป็นต้องเอารูปแบบว่าเออต้องนั่งนะคุณโยมต้องนาฬิกาคุณโยมก็สัมไถ้าจิตมันนิ่งมันดีจริงๆแล้วคุณภนะาพจิตมันก็จะเพิ่มเองแต่บางคนแล้วิ่งสัม่มยิ่งเครียดสแสดงว่ามันมีปัญหาถ้ามันถ้ามันถูกทางเนี่ยนะมันมีความจบนะคุณโยมลองวัดตัวเองนะใครที่ทำงานแล้วเนี่ยคือคุณคุณ จับจดอยู่กับเรื่องไหนก็ตามจมจมอยู่กับเรื่องไหนก็ตามถ้าทําไปแล้วมันยิ่งทุกข์แสดงว่ามันมันไม่ใช่สมาธิบางคนน่ิ่งมากเลยเนี่ยไม่ไหวติงเลยคนมาเรียกยังไม่รู้เลยเนึ่องว่าวเป็นมีสมาธิแต่ยิ่งทํายิ่งทุกข์อันนี้ไม่ใช่ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันจะสุขธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักอยู่ว่าศึกษาก็สุขปฏิบัติตามก็สุขและเมื่อให้ผลแล้วก็ยิ่งสุขนี่ถ้าดูทางแล้วมันสุขทั้งสามขั้น อันนี้ยคุณยองก็ลองเอาไปใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นคัดกรุ่ น, นได้เลย mm hmm. ตั ว, ต, วตัวที่ดีที่สุดคือตัวสติเราฝึกสติกันถ้าคุณได้สติมีสติแล้วเนี่ยแต่พระก็รับประกันได้ว่าทุกทุกวันเมื่อคุณตื่นนอนขึ้นมาจนถึงหัวถึงหมอนในตอนค่ําเป็นวันแห่งความสุขแต่ถ้าปรารถนาให้ให้เราทั้งหลายมีทุกวันเป็นวันแห่งความสุขคือคนในแบบวันจันทร์วินญาณ จริงหรือตปบ่เพราะเป็นวันแรกของสัปดาห์วันอังคารวอดวายวันพุธหายยันนะวันพฤ ห, หัสรอดแร่วันศุกร์นิดเบชบุญรอดไปได้อีกอาทิตย์หนึ่งแต่วอาทิตย์ทำไมนอนนี่น่ะเขาเป็นอย่างนี้เรามนุษยชาติเรา ในโลกวัตถุนิยมทุนิยมมนุษย์เป็นอย่างนี้อาตมาพระปราธานาให้ทุกวันเป็นวันแห่งสติและเป็นวันแห่งความสุขแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสติมาโตสถานพัถังคนมีสติดีขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกสตินะทีนี้เราก็ลงมือเลยนะ นั่งตามสะดวกนะถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งทับเทียวถ้านั่งขัดสมาธิก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็หลับตาหลับตานั้นให้หลับพอดีอย่าให้เฉลดมาาจนปวดตา มือนั้นก็ให้วางทิ้งลงข้างลำตัวจะถึงกับเกร็งถ้านั่งพับเพียบก็เช่นเดียวกันก็ขอให้เอามือวางไว้ที่บนศัพทจากนั้นก็หลับตาที่ตัวขึ้นมาวิธี ท, ทาสมาธิเบื้องต้นขั้นแรกก็คือให้เอาสติของเรานี้ไปจับไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วขั้นแรกให้หายใจช้าๆก่อนหายใจ ข้าวกาหนดว่าพูดหายใจออกกําหนดว่าโทแล้วก็สติเนี่ยตามดูลมหายใจของเราชาชตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเริ่มสงบพอจิตสงบแล้วอาจจะไม่ต้องบริกรรมว่าพูดโถก็ได้แต่ขอให้ดูลมหายใจเฉยๆเมื่อจิตสงบเป็นที่สุดแล้วก็จะเกิดสมาธิทีนี้วิธีที่สองถ้าจับ ลมหายใจไม่ได้ให้เอาสติไปไว้ที่ท้องน้อยตรงที่ลิ้นปีของเราหายใจเข้าให้ดูอาการของท้องว่ามันพองหายใจออกให้ดูอาการของท้องว่ามันยุบแล้วก็กําหนดว่ายุบหนอยุบหนอพองหนอเอาสติไว้ที่ท้องถ้าพองก็บอกพองหนอถ้ายุบก็ยุบหนอ หรือถ้าแี่เกียดบริกรรมก็นั่งดูอาการของท้องพองยุบไปอย่างเดียวเอาจิตไปจดจ่อไว้ที่ท้องหรือจดจ่อไว้ที่ปลายจมูกที่ลมเข้าลมออกถ้าทําถูกทางแล้วจะนิ่งลงโดยลําดับนิ่งลงโดยลําดับจนเกิดเป็นสมาธิแต่ก่อนจะเกิดเป็นสมาธิถ้ามาถูกทางแล้วเนี่ยจะเกิดความพลันที่เรียกกันว่าปราโมทย์ เมื่อเพลินแล้วก็จะอิ่อกอินใจซาบซ่านขึ้นมาเขาเรียกว่าปีติมีปีติแล้วลมหายใจสงบกายก็สงบก็เรียกว่าปัจสัตติจากนั้นก็จะมีความสุขคือโปรงเบาผ่อนคลายเมื่อร่างกายผ่อนคลายถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีสมาธิคือจิตนิ่งจิตนิ่งหรือจิตเป็นหนึ่งตัวนี้คือตัวสมาธิ เมื่อเรามีสมาธิเราก็จะคงอยู่ในความสุขอย่างนั้นแล้วสติก็เข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทางความรู้สึกทางความคิดแล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมะต่างๆที่ให้เห็นทางกายแล้วก็ทางใจของเราเราจะรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เรียกวันตามเป็นจริง ทุกวันนี้เราไม่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงเพราะเราขาดสติแต่พอพอมีสติปุ๊บอะไรมากระทบตาหูจอมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะตามทันทันทีวันนี้คุณยมก็ลองฝึก ด, ดูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วควรแคเวลาคุณโยมค่อยๆ ค, คลายมือออกนะลองสังเกตดูถ้าเราหายใจยาวๆสติมันจะมาโดยอัตโนมัติ กระทับร่อยลมหายใจให้มันไปตามธรรมชาติบางทีหายใจอยู่เราไม่เคยรู้เลยนะคุณยมเชื่อไหมว่าเราหายใจแต่เราไม่เคยรู้ก็มีนะทั้งทั้งที่มันทําทุกวันอาจารย์ภาพเคยเป็นโรคเส้นเสียงอักเสบเมื่อตอนเป็นเล็กน้อยไปรักษาเขาให้ฝึกหายใจแล้วให้ดูท้องหายใจเข้าเนี่ยท้องมันควรจะพองหายใจออกท้องควรจะยุบ เรกยว่าไปนั่งดูจริงๆมันไม่ใช่หายใจข้ามันยุบหมอบอกว่าท่านหายใจไม่เป็นเราก็โกรธ ห, หมอหอยู่มาได้ตั้งนานหายใจไม่เป็นมันจะอันเนี้ยคือหายหายใจได้แต่อาจใจไม่เป็นเพราะถ้าเราหายใจเป็นนะเราไปเป็นนักร้องเราก็จะดปงเสียงไม่ต้องมากหรอกเสียงมีพัดลำเช่นเดียวกันถ้าเราหายใจเป็นสติจะเกิดเดยอตโนมัต ดังนั้นทุกครั้งถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยให้ลองหายใจท่านจึงบอกว่าเวลาคุณจะทําอะไรก็ตามถ้ามันวิกฤตให้สูดลมหายใจเข้าเพราะเนี่คือวิธีเรียกสติที่ดีที่สุดคุณยอมจะวัดว่าจึงสติ ด, ดีหรือไม่ดีก็ลองหาโอกาสไปอยู่หน้าคนเยอะๆแล้วดูว่ามันประมาทไหมหรือไม่งั้นก็มาคุยกับพระ ดูว่าประมาทไหมถ้ามันคุยไปเรื่อยๆแสดงว่าไม่ประมาทก็ดีแสดงว่าดีขึ้นใช้ได้เพราะว่าบางคนคุยกับตัณหาภาพแล้วคุยไปสักพักนึ่งเนี่ยเจริญพรจากตัณหาแล้วก็นี่เรียกว่าจะขาดสติแต่ก็ไม่บาปหรอกบาปมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆขนาดนั้นถเราตั้งเจตนาดีเราก็ฝึกเอา นี่เป็นเป็นผลที่เรียกว่าพื้นฐานที่สุดเลยคือถ้าเราหายใจถูกต้องแล้วสติมาโดยอัตโนมัติเพราะสติมาสมาธิมาสมาธิมาแล้วเดี๋ยวปัญญามันก็มาเหมือนกับว่าเราเอาอาเม็ดมาม่วงนี้ไปเพาะถ้าคุณเพาะถูกสั์ถูกส่วนของมันนะเดี๋ยวใบมันมาเดี๋ยวลําต้นมันมา เดี๋ยวดอกมามือกมาเดี๋ยวขนมาม่วกมาเดี๋ยวโอชารถมันมาเอ๊ะตอนเพาะฉันก็พ่อแต่เมนะ็ดน่ะที่เหลือมันมาได้ยังไงเห็นไหมนี่คือธรรมชาติมันจัดสรรเมื่อเราฝึกสติฝึกสมาธิถูกทางนะเดี๋ยวปัญญามาเดี๋ยวความสุขมาเดี๋ยวความสงบมาอาจารย์ของอัตมาภาพเนี่ยอยู่ป่าวันหนึ่งมาสอบประเมินผู้บริหารไม่รู้เรื่องเลยการจัดการปนะรากฏว่าได้ที่สอง ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยงงกันหมดเลยอ่ะพระป่าได้ได้ที่สองได้ยางไงท่านบอกว่าข้อไหนผมไม่รู้ผมก็หลับตาถามตัวเองนี่นี่เดียวว่าใช้ปัญญาภายกํกำลังภายในนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกสมาธิไปถึงระดับหนึ่งมันจะให้ปัญญาสองอย่างคือหนึ่งโลกิยะปัญญาสองโลกุตตระปัญญาความสุขไม่ต้องพูดถึงมันได้ตั้งแต่เริ่มฝึกแล้วนะพอสงบแล้วมันก็สูงก็มาละ ทีนี้โลกียบปัญญาก็หมายความว่าความจำของเราจะดีขึ้นสติของเราคมขึ้นเหมือนกับว่าเราจะถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราอยู่บนรถแล้ววิ่งไปกดชัตเตอร์ปุ๊บภาพบันพาแต่ถ้าเราจ่อแล้วลงถ่ายชัดๆนะช้าๆนะภาพเจ๋งมานั่นคือเมื่อเราสติมีความจำดีขึ้นปัญญามาสองมีโลกุตรระปัญญาก็หมายความว่า มันจะเข้าใจจริงต่างๆซึ่งโดยปกติเราไม่เคยเข้าใจเลยเราเคยหลงหงวปักหัวตัาคนนั้นเตือนคนนี้พูดเกไม่ฟังพอนั่งสมาธิไปมันเกิดสติโอบขึ้นมาแล้วมันสอนตัวเองโดยอัตโนมัติโอ้ยเนเราเนี่ยทำไม่ถูกคนมาเตือนก็ยังไปว่าเขาอันนี้เรื่องของโลกุตตรบัญญามันเริ่มเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็จะเหมือนกับเศษอิด เศษดินที่เขาเอามาปั้นแล้วช่างหม้อเนี่ยค่อยๆดึงก้อนกวดเห็นดินทรายออกทิ้งออกทิ้สุดท้ายมันจะเป็นเป็นเจตการเป็นหม้ อ, อเป็นไหสวยงามมากก็ดินอันเดียวกันนั่นแหละที่กลายเป็นประฏิกรรมที่สวยงามเพราะมันรู้จักดึงเสศษสิ่งปฏิกูลออกมาเป็นตัวมันเมื่อเราฝึกสติก็คือกลวิธีอย่างหนึ่งที่จะดึงบุคลิกภาพก็ดีนิสัยก็ดีความโง่ ก, ก็ดีซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายออกจากตัวเรา บุกบ่อยๆจะได้ผลมากนี่ก็เป็นขั้นพื้นฐานแต่ถ้าคุณโยมมาไปจ่อยอดเองก็จะมีประโยชน์มากนะจากนี้ก็รับพร น, นะนี่นี่นาฬิกานี้จะถวายงั้นก็รับพรพร้อมกันทีเดียวนะ อ <c oughs> อิชิตังปฏตติังจมหังคิดปามเมวัสนิชตุสเพตุเรนตุสังขปาจันโทปนรโสยะฐามนิชโชติรโสยะฐานัปนี้บริษัทโทรพาเดโรทามโดยคุณโยมดารารัฐมหาดำรงกุลสลอดจนถึงกัลยาณ น, นิตสและพนักงานทุกท่านทุกคนที่มาที่นี่ก็ดีที่นี่ได้มาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายที่รวมกันเป็นเครือข่ายบริษัทอันนี้จงประกอบไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละต่อจากนั้น จงปราศจากเดซึ่งสภาวทุกสภโศกสภาโรคสภาวภัยสภาวะสัญญจันรายอันตรายทั้งหลายอย่างได้มาตร้ำไกลายแม้ว่าคุณโยมทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดหรือทําสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบและประกอบไปได้ทําแล้วไซ้ขอคุณสนผลบุญที่ได้มาทําความดีร่วมกันในวันนี้จงกลับมาดอนบันดาลประทานพรให้ความคิดความปราตันาและกิจการงานนั้นๆจงทันสําเร็จ จงพัน์สําเร็จและจงพัน์สําเร็จสมดังมโนปณิธานทุกท่านทุกคนเทถรสัพพะพุธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนสะสะทาจดีพระวันตุเต